ถ้าเรารู้จักทําใจให้เฉยไม่ ừ, ừ, ừ, <c oughs> เหนื่อยกันไล้คือลำเหนื่อยกันเพราะว่าเราไม่ได้ทําใจให้เฉยเราไปวนไปกับเหตุการณ์ที่กับขึ้นคุณก็เลยเหนื่อยแต่ถ้าเราเฉยก็เหมือนเานั่งดูละครนั่งเป็นที่เฉยแต่เม้่ดูละครด้าไม่ไม่ทําใจให้เฉยก็เหนื่อยได้นะ ปัหาของเราคือใจเราไม่เนื่งกันใจเราอ่อนไหวใต้ตาม เ, าเหตุการณ์ต่างๆที่ที่ใจสัมผัสรับรูบร้ทางตะวานตาหูจมูกหนวใจใจเราไม่มีกำลังไม่มีกำลังที่จะทำให้ใจนื่ง ถ้าเป็นม้าก็ไม่มีบางเหีย้ยไม่คอยหยุดมาเราเป็นต้องมาสร้างกำงังใจเลยวุฒธรรมที่ทำให้มีกำลังใจก็เรียกว่าอินสีห้าที่ถ้าได้รับการพัฒนาขึ้นไปก็จะเป็นพระห้า อินสีหห้างพวกเราก็เมีกันอยู่แต่อินสีย์นี้เราไม่มีกำลังยังไม่เป็นยังไม่เป็นพลังเป็นเพียงเครื่องมือที่พอใช้กับชีวิตประจํำวันได้แต่ไม่พอที่จะหยุดจิตของเราไม่ให้ไปว่าวุ่นขุ่นบัวหรือ เครื่องไหวไปกับสิ่งต่างๆเหตุการณ์ต่างๆได้เราจะต้องมาพัฒนาอินทรีย์ห้าให้เป็นเป็นภาระหา้าอินทรีย์ห้าก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาถ้าพัฒนา เอ็นซีทั้งห้านี้ให้เป็นตละห้าขึ้าได้เล้าจะมีกำลังที่จะทำใจให้สัจจะรู้ได้ให้สัจจะรู้ไม่ให้ไปมีอารมณ์กับเหตุการต่างๆที่ใจไปสัมผัสรับรู้รู้แล้วก็ปล่อยวางรู้แล้วก็ปล่อยวางไป ตามเรื่องของเขาไม่ไปเชื่องจ้างกับเขาเขาจะมีเขาจะชื่อเขาจะสืบเขาจะทุกก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราก็คือให้รู้ให้ศึกษาเรื่องนั้นถ้ามีมีพระห้ามก็จะทําใจยาก เพาะที่สาคัญก็มีสามคือสติสมาธิและปัญญาที่ต้องอาศัยศรัทธาและวิริยะเป็นผู้ทาให้เจริญกละเติบโตขึ้นมานั่นก็ต้องมีศรัทธาความเชื่อในพระพุะทธธรรมประสงค์เชื่อว่าพระพุะทธธรรมประสงค์เป็นผู้ที่ได้ พิสูจนแล้วว่าพระห้านี่นะเป็นเครื่องมือที่จะเสรสร้าง ก, กำลังให้แก่ใจทำให้ใจสามารถรับรู้กับเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างไม่สะทกสะท้านถ้าเรามีจัตตาในาพระพุทธธรรมทั้งสมเราก็จะมีวิริยะ คือในความอุตสาหะพยายามที่จะศึกษาพระพุทธธรรมพระสง์ศึกษาว่าท่านสอนให้ปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ทำให้ใจของเรามีพลังมีกำลังที่จะรับกับเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างไม่สะทกสะท้านอย่างไม่หวั่นไหว อย่าไม่ทุกข์ทรมานใจเราก็ศึกษาด้วยการเข้าหาผู้รู้ครูบาอาจารย์ต่างๆเรื่องรู้จากหนังสือธรรมะที่รับมาจากพระไตรปิฎกเรื่อหนังสือของครูบาอาจารย์ที่เป็นพระสุปฏิันโอทั้งหลายที่ได้ ปฏิบัติผ่านมาแล้วรู้จักวิธีที่จะพัฒนาป็นทีทั้งห้าให้เป็นพระห้าเสมอพอเราได้ศึกษาเราก็จะได้รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างซึ่งเราก็จะได้ยึนเรื่องสติเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเสมอสตินี้ก็เป็นเป็น เป็นเป็นส่วนแรกเป็นปัจจัยแรกของการของการปฏิบัติต้องเจริญสติให้มีสติสติเป็นเหมือนเชือกที่ไว้ที่สามารถถูกใจไว้ดึงใจเอาไว้ให้อยู่เน่นไม่ให้ไปเพ่นท่านไปตามที่ต่างๆ ใช่ก็เป็นเหมือนลิงถ้าไม่มีเชือกผูกคอไว้แล้วเอายองไว้กับเสาลิงก็จะไม่อยู่เฉยเฉยลิงก็ต้องไปเพื่นบ้านไปทั่วไปหมดเวลาที่จะจับลิงเข้าเข้ากรงก็จะไม่สามารถจับมันเข้ากรงได้แต่ถ้าเราผูกมันไว้โยงไว้กับเสา ถึงเวลามจักเข้ากรงเราก็เปล่นแต่จับเชือกแล้วลากคองมันเข้าไปในกรงมันก็ต้องต่างๆหมดนี่คือสติสติไม่เป็นเหมือนเชือกที่จะคล้องคอจิตเพื่อไม่ให้จิตนั้นไปเพ่พนพ่าสายตามที่ต่างๆเวล า, าที่ต้องการที่จะจับจิตเข้ากรงคือกรงของจิตก็คือสมาธิ ถ้จิตรวมรเป็นหนึ่ง็นเอกภาลมก็ต้องมีเชือกนี่เดิงรากคอจิตเข้าไปในกลองก็จะนั่งยากเย็นเพราะมีเชือกรากเข้าไปถ้าไม่มีเชือกก็ไม่มีทางที่จะจับจิตนี้เข้ากลองนด้เหมือนกับจะจับลงเข้ากลงองโดยที่เราไม่ได้ผูกคอเข้าไว้กับเชือกแล้วเรา ถ, ถือถเชือกเอาไว้ ไปเร่งตามจาบมันเราสู้มันไม่ได้มันเร็วกว่เราหลายร้อยเท่าจิตของเรานี้ก็เร็วกวาเราหลายร้อยเท่ามีสติในรหนักที่จะปราบมันได้ดังนั้นถ้าอยากจะากเจริญในสมาธิแล้วจเจริญในปัญญาตามอันดับต่อไปก็จําเป็นจะต้องมีสติเป็นเครื่องมือเอาไว้จับจิต ไว้ให้อยู่ภายใต้คำสั่งให้ได้การเจริญสติจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเจริญในสมาธิและในปัญญาและวิมุตติการอดทนจากความทุกข์ทั้งหลายต้องมีสติเป็ น, เ ป, นเป็นตัดนัจจที่สำคัญมีศรัทธาความเชื่อว่านี่แหละคือทางที่ถูก คือการจริญสติมีวิริยะคือความอุตสหภาพเปลี่ยนที่จะจริญสติอยู่เสมอถึงแม้ว่าจะยากเจริญบาเพราะว่าเราเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำเราไม่ถนัดเหมือนกับการเปลี่ยนเปลี่ยนมือที่เราถนัดมาใช้กับมือที่เราไม่ถนัดถ้าเราถนัดมือขวา่วเรา มีความจําเป็นที่ต้องมาใช้มือซ้ายตอนที่เริ่มใช้ใหม่ๆก็จะรู้สึกว่าไม่ถนัดรู้สึกว่าลาบากทำอะไรไม่ได้คลอแก้วว่องไวเหมือนกับใช้มือขวาที่เราตํถนัดแต่ถ้าตัวมือขวาของเรามันขาดไปเมื่อช้ำนิ้ไปไม่สามารถใช้มือขวาได้เราก็ต้องจําเป็นที่จะต้อง หับใช้มือซ้ายแล้วเมื่อเราหักใช้ไปเรื่อยๆความถนัดมันก็จะเกิดขึ้ตามมาต่อไปแล้วต่อไปก็จะใช้มือซ้ายได้อย่างถนัเพราะไม่เช่นนั้นคนที่เขาถลัดมือซ้ายแํามันเขาใช้มือซ้ายก็ได้ดีกว่าเขาใช้มือขวามือซ้ายมือขวานี่เขาไม่ไม่มีความถนัดในตัวเขา อยู่ที่ผู้ใช้มือซ้ายมือขวาก็คือจิตจิตเคยใช้มือขวามาล้างภพล้าชาติพอมาเกิดภพไหนชาติไหนก็จะใช้มือขวาไปจนกว่าจะถูกบังคับให้ไปใช้มือซ้ายด้วยเหตุการอย่างใดอย่างหนึ่งบางทีแม่พ่อแน่ก็สองให้ใช้มือซ้ายมือขวาและการเด็กก็มี เด็กบางคนถนัดมือซ้ายแนักพรานก็คอยสอนให้ใช้มือขวาถ้าเขาใช้จะเรื่อยๆต่อไปเขาจะถนัดถนัดทั้งสองมือมือซ้ายก็ถนัดมือขวาก็ถนัดเพราะฉะนั้นการฝึกให้มีสติในเรื่องต้นนี้ก็จะเป็นเหมือนกับการใช้มือที่เราถนัดเพราะเราถนัดต่อการไม่มีสติเเราชอบเผลอ เราชอบปล่อยให้ใจของเราลอยไปลอยมาปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปลื่ยไม่อยู่กับเนื้อกับตัววันๆอย่างนี้น ใ, นใจเราอยู่กับตัวมากแล้วเปลี่นอะไอยู่กับเรื่องต่างๆมากกว่าเท่าไหร่ลองสังเกตดูนั่นแสดงว่าเราไม่มีสติ พอเราไม่มีสติเวลาที่เราจะพวบบังคับให้ใจเน่งให้เข้าสู่สมาธิมันก็ไม่หองเข้าให้อยู่กับราการพุทธโทธพุทธโทธก็อยู่ได้เพียงสองสามวินาทีแล้วก็ลอยไปคิดเรื่องอื่นต่ออยู่กับลมหายใจก็เช่งเดียวกันดังนั้นเราติงต้องเจริญสติ ให้เกิดเป็นนิ ส, สัยขึ้นมาให้ราอยู่กับตัวเรารู้อยู่กับร่างกายของเราไม่ว่าร่างกายของเรากำลังทำอะไรอยู่กำลังเคลื่อนไหวอย่างไรมีอารอย่างไรกำลังเคลื่อนไหวกำลังทำอะไร <rí> e> ก็ให้ให้รู้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นหลักกำลังเดินก็ให้อยู่กับการเดิน กำัยืนก็ให้อยู่กับการยืนกำลังนั่งก็ให้อยู่กับการนั่งกำลันงนอนก็ให้อยู่กับการนอนกำลังรับทานอาหารอาบน้ำแต่งตัวล้างถ้วยล้างชามซักเสื้อผ้าหรือทำงานอะไรตา่างๆให้อยู่กับงานนั้นๆออัน น, นี้เรียกว่ามีสติ หรือจะใช้การ บ, บริกรรมพุทโธควบคู่ไปกับการเคลื่อนไหวของร่างกายกไ็ได้คือไม่ว่าจะทำอะไรก็ไม่ให้ใจไปคิดเรื่องอื่นให้ายกับารพุโทโธพุธโทโธไปเป็นหลักให้อยู่กับพุโทโธไปแล้วก็ให้มีสติรู้อยู่กับกายาที่เําทำ มางลุท่านจะใช้การบริการพุโทโธเป็นเป็นเป็นเชื่อไว้บนใจเราเป็นหลักเป็นหลักที่จะถูกใจเอาไว้ด้วยเชื่อคือสติยืนขึ้นมาก็ก่อนจะลุกขึ้นก็พุโทโธเลพุโทโธประพัน์ใจพุโทโธพุธโทโธลุกขึ้นพุโทโธพุธโทโธไปอยากเ้าห้องน้ำไปทํากิจอะไรก็พุโทโธพุธโทโธอยู่ตลอดเวลา ให้จิตว่างจากเรื่องราวต่างๆแล้วก็จะมีความสงบในระดับหนึ่งแต่ยังไม่สงบเต็มที่คือไม่รุงสร้างแล้วก็จะว่างจากอารมณ์ต่างๆพอถึงเวลาที่จะนั่งสมาธิมันก็จะโยเข้าสู่ความสงบได้อย่างรวดเร็วการเข้าสู่สมาธิ ข้าวสือความสงบเนี่ยสำหรับบางท่านก็อาจจะมีมีประสบการณ์ต่างๆกันอาจจะมีแสงมีมีภาพมีอะไรให้เห็นหรือไม่เห็นไม่มีอะไรถ้าไม่มีอะไรนั่นจะดีที่สุดเลยถ้ารวมตัวลงแล้วสมบเน่เป็นเอกาลรวมสักแต่ว่ารู้ ไม่มีความคิดตึงแต่ไม่สนใจกับรูปเสียงเกิดลดโทตระถ้าถ้ายัางได้รับสัมผัสรับรู้ก็เพียงแต่สักในร่องอาจจะไม่ได้ไปมีอารมณ์กับรูปเสียงเกิดลดโทตระในบางกรณีก็จะวองไปแบบไม่มีอะไรเหลืออเลยรูปเสียงเกิดลดโทตระหรือตาหองจมูกมือกายก็าหายไปจากความรับรู้ของ ของจิตเราก็นิ่งอยู่อย่างนั้นก็ถือว่าเป็นสัมมาสมาธิหรือสงบแล้วไม่ไปเคลื่อนไหวต่อถ้าสงบแล้วไปเคลื่อนไหวต่อจะอออกไปรับรู้ภาพหรือเสียงหรืออะไรก็ตามอย่างนี้ก็จะไม่เป็นสัมมาสมาธิ จะจะเป็นวิจฉาสมาธิก็ได้เพราะว่าจะไม่เป็นเป็นฐานของปัญญาจะไม่มีกําลังจุดที่ออกจากสมาธิที่จะออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆนี้เหมือนที่นอนหลับแล้วฝันไปเวลาออกมาแล้วจะเหมือนกับไม่ได้นั่งสมาธิ คือจะไม่มีพลังพลังที่จะข่มจิตข่มใจเวลาที่ไปสัมผัส ร, รับรู้แล้วเกิดอารมณ์โลกโกรธหรือรักหรือชังก็จะไม่สามารถที่จะยับยั้งได้ไม่เหมือนกับสมาธิที่นิ่งสงบจักจั่วรู้ แล้วพอถอนออกมาก็จะมีความอิ่มมีความเย็นมีความสบายที่ยังติดค้างอยู่จากจากจากที่รวมลงอยู่ในสมาธินั้นตอนนั้นะจะเป็นช่วงที่ดีสำหรับการที่จะเจริญปัญญาต่อไปเมื่อพอออกจากสมาธิแล้ว จะนั่งต่อแล้วพิจารณาอาการ3ามสสองผมโกลมเนื้ฟันหนังเนอเอ็นกันดู ก, ก็ได้หรือจะพิจารณาเกิดแก่เจ็บตายดินน้ำลมไปก็ได้ถ้าไม่อยากจะนั่งจะลุกขึ้นมาเดินรงกลมแล้วก็พิจารณาก็ได้ตอนนั้นจะไม่มีอารมณ์อื่นมามารบกวนมาถึดล่า ให้จิตไปคิดเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นกิเลสยังโมงเนียอยู่กิเลสที่ถูกทอำนาจของสมาธิกดไว้ยังโมเนียยังไม่มีกํำลังเหมือนของพื่อเติมเลยเตอะนั้นการพิจารณาธรรมก็จะเห็นตามที่ทำแสดงเอาไว้าพิจารณาอานิจจา ก, ก็จะเห็นว่าเป็นนิจจ์เกิดแก่สุจาร ถ้าพิจารณาว่าเป็นเงินนั้นวนไปก็จะเห็นว่าเป็นเงินวนไปถ้าพิจารณาว่าเป็นทุกข์ก็จะเห็นว่าเป็นทุกข์แต่ถ้าพิจารณาไปแคระยะหนึน่แล้วจิตเริ่มหายงงงงแล้วเริ่ ม, มีกําลังขึ้นและนะ้วก็จะมาแววสร้างความตั้งตัวให้กับการพิจารณาทําให้การพิจารณานั้นเห็นไม่ชัด ก็ต้องหยุดแล้วก็กลับเข้าไปทำสมาธิแสดงว่ากิเล เ, เริ่มมีกําลังต้านทานมากขึ้นก็ถึงเวลาที่เราต้องให้ยาสรุปกิเลสมืด้วยการกลับเข้าสู่สมาธิอีกกลับเข้าไปนั่งสมาธิต่อจนเสรจจิตสงบวรวมลงนสักแต่ว่รู้ แล้วก็พักพักตามวิทยาสัยตามกามลังของสตุตามความต้องการของจิตพอหลังจากนั้นแล้วก็ท้อออกมาใหม่แล้วค่อยพิจรารณาแต่ในขณะที่อยู่ในสมาธิในขณะที่จิตพักสักแต่ว่ารู้ อ, อยู่ไม่ต้องไปทำอะไรอยากไปพิจรารณาตอนนั้น ก็จะเป็นการลบต่วจิตจิตจงไม่ได้พักผ่นแล้วก็จะพิจารณาไม่ได้ผองรอให้จิตพักให้เต็มที่แล้วถอนออกมาแล้วเรามารับรู้กับยูคเสีย ง, งกเกี่ยวโลกิตตะก็กมาอยู่ในระดับของจิตปกติแล้วค่อยพิจารณา <c oughs> พิจารณาซ้ำๆซ้ำๆอยู่างนีน้จนให้เป็นเป็น ความรู้ที่รู้อยู่ติดอยู่กับจิตตลอดเวลาเวลาเห็นร่างกายของใครก็ตา่างจะเห็นผู้เจอเกิดแกับจิตกลางวิน้าทีใส่อาการสามสิบสองอสุภะประปุจจคูเห็นแบบรัเดียวเหมือนกับเราอ่านหนังสือพอเห็นตัวหนังสือป้าก็จะอ่านได้ว่ารู้ความหมายของตัวหนังสือนั่นเลยในขณะเดียวครับ พอเห็นฉานี้จะไม่เห็นเองแต่ความรู้ที่เราได้รับจากที่สมมติสอนเราเช่นเห็นเห็นพ่อเห็นแม่เห็นพี่เห็นน้องเห็นเพื่อนหรือว่าชื่อนั้นชื่อนี้หรือว่าทํางานนี้ไหนอยู่ําแหนอะไรนี่ก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งแต่เป็นความรู้ทางโลกเป็นความรู้ที่จะถูกเจ็บให้ติดอยู่กับ ความทุกข์ต้องมีความรู้ที่จะมาพลายจิตให้ห <c> ล <oughs> ุดจากความทุกข์คือเห็นพ่อเห็นแม่แล้วก็ต้องเห็นดินน้าลมไฟเห็นเกิดแก่เจ็บตายเห็นถ้าเห็นภาพที่สวยงามแล้วเกิดอารมณ์คลาก็จะต้องเห็นอสุภะเห็ น, น้าการสังคุชฌเห็นปฏิกูล เหมนที่ไม่สวยไม่น่ะไม่ไม่สอาดที่ถูกขับออกมาตามทวารต่างๆของร่างกายถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะคลายความกำนัดยินดีนะคลายความยึดติดว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นที่เป็นน้อจะเห็นว่าเป็นเพียงเียนน้ำหลุดใจที่จะต้อง แยกทางกันไปในเวลาต่อไปในพันธะเนี่ยร่างกายของทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามมันต้องเห็นแบบเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับปกติของจิตเพอเห็นตาเก็จะเห็นเลยเห็นที่รเขาก็จะเห็นทุกทีเหมือนกับเราเห็นว่าเป็นใครมีตําแหน่งอะไร นี่ก็จะเราเพียงจะ ต, ต้องการเพิ่มข้อมูลที่เกี่ยวกับร่างกายนี้ข้อมูลที่เราขาดกันข้อมูลที่เราไม่ได้ให้กับใจของเราจึงทำให้ใจของเรานีนหลงนยึดติดว่าเป็นมนุษย์ว่าเป็นคนว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มีฐานะอย่างนั้นอย่างนี้มีความสัมพันธ์ อย่างนั้นอย่างนี้เซึ่งเป็นข้อมูลที่จะปลูกน้าจิตให้ติดอยู่กับความทุกข์เราต้องมีข้อมูลของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าทรงศึกษาเรียกพ่อองเองจนทําให้พระทัยของพระพุทธเจ้านั้นหลุดพ้นจากควา ท, ทุกทั้งหลายได้แล้วส่งนํเอามาเผยแพรสั่งสอนให้กับพวกเรา พวกเราก็ต้องเอาข้อมูลหรือเอาความรู้นี้เข้ามาไว้ในจใจของเราตอนนี้ข้อมูลนี้จะอยู่ในแผ่นซีดีจะอยู่ในหนังสือจะอยู่ในตัวคูบาจารยแต่ยังไม่ได้อยู่ในใจของเราเวลาเราเปิดซีดีเราก็ได้ยินได้ฟังเวลาเราอ่านหนังสือเราก็เราก็เห็นเวลาเรา ไปฟังเทศความธรรมจากทา่านยราก็ได้ยินแต่พอเราไม่ได้อไม่ได้ดูไม่ได้ฟังมันก็เหมือนแต่ว่าหายันเลยเพราะว่าการที่การได้ยินได้ฟังเพียงครั้งเดียวไี่ไม่อเพียงเราก็เอามาทําต่อเอามาทําสลับกับการทำสมาทุกนี้เองสลับกับการ ควบคู่กับการจอรันสติเถี่ยงการจอมันสตินี้เป็นงานหลักเลยตลอดเวลา ต, ต้องมีสติพอเวลาจะนั่งสมาธิก็มีสติควบคุมให้อยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานเช่นอารมณ์อ า, า, น, อานาปา น, นสตินี้ก็เป็นกรรมฐานอย่างพุทธานุสติก็คือการบริการพุทโธนี้ก็เป็นกรรมฐานอย่าง ถ้า อ, อยู่กับกรรมฐานแล้วจิตก็จะมีตัวเข้าสู่ความสงบพอออกจากความสนบก็จะลงตัณหาต่อถ้ามีความจําเป็นต้องทำภารกิจไม่สามารถพิจธะนาำทงตัณหาได้ก็ให้มีสติจเจริญสติไป่อต้าไปทํางานต่อต้องคิดเรื่องแนละ้เรื่องนี้ก็ให้มีสติกีกับเรื่องที่เาพยายามทำอนู่ดังนั้นเราก็จะมา การเรียนการทำงานไม่ค่อยได้เพราะจิตจะต้องทํางานเกี่ยวกับงานนัึงนนก็ต้องคิดกับเรื่องงานนึนนนงก็ให้คิดอยู่กับเรื่องงานนั้นเหมือเดียวอย่าอย่าคิดแล้วก็ไปไปไปคิดเรื่องอื่นที่เรามักจะทําอย่างนี้สเสมอล้วทํางานเวลาอยู่แล้วเราก็จะทันไหนทันไหนออกไปคิดถึงเรื่องอื่นเรื่องเียนนี้จะเป็น ที่ไหนจะไปงานเลี้ยงที่ไหนงานแต่งงานของใครไปอ่ะไปอนาคตนะเมื่อคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อเมื่อก่อนเมื่อวานนี้เมื่อเช้านี้นี่ก็ไปอีกแล้วต้าให้อยู่ในปัจจุบันอย่าไปในอดีตอย่าไปในอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันถ้าในปัจจุบันไม่จาเป็นพี่จะต้องคิดเรื่องงาน ก็ให้คิดทางปัญญาแทนแล้วพิจารณาเรื่องกายใพิจคิดว่านั่งกายของเราก็มีอะไรบ้างก็มีอาการอย่างที่สองมาจากดินน้ำลมไปแล้วพรเจ้าต้องกลับไปสู่ดินน้ำลมไปตามลำดัแบบต่อไปจะไปกต้องแก่ครับต้องเจ็บข้าวให้กกับถ้าพิจรณานี้ไปเรื่้มไปเรื่อยๆ เราให้ให้พร้อมที่จะรับ ก, กับเหตุการณ์เจ็บที่จะเกิดขึดด้นมราหรือถ้าอยากจะพิสูจน์ว่าพร้อมหรอยังเช่นกับความเจ็บของร่างกายก็นั่งสมาธิแล้วเกิดอาการเจ็บปว ด, ดก็ไม่ต้องไปขยับอยากไปเปลี่ยนอุปเยาบบให้ความเจ็บหารไปให้ก้าวหายของเขาไปเองเหมือนกับเวลาที่เราเจ็บไข้ได้เกลือน พอโรคหายความเจ็บปวดทางร่างกายมันก็หายเองที่เวลาเป็นไข้เป็นไข้แล้วปวดไปทั้งตัวก็อยากไปกินยาแก้ปวด น, นั่งสมาธิแทนใช้ธรรมะเองสริมทำใจให้สงบปล่อยวางความเจ็บปวดทางร่างกายร่างกายจะเจ็บก็ปล่อยเขาเจ็บไปแต่ถ้าเราทําจิตให้สงบได้เราจะระงับความเจ็บของใจได้ ซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าความเจ็บของร่างกายหลายร้อยเท่าหลายสิบเท่าพอความเจ็บของล่างของใจงนี้หายไปความเจ็บของร่างกายนี้จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาพอรับได้พอทนได้ไม่เดือดร้อนแต่ถ้ามีความเจ็บทางใจนวถึงแม้ความเจ็บทางร่างกายจะไม่รุนแรง ก็จะรับเยลยนะว่ามันมันมันทรมานที่ใหมันไม่ได้ทรมานที่ร่างกายมันจะเป็นการที่สูดแล้วก่อนว่าเวลาต่อไปเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยในเวลาช่วงที่ใกล้จะตายร่างกายจะมีอาการเจ็บปวดมากใจของเราจะเนิ่งหรืกจะทุน่นทุรไลเข้านงไปควบคุมใจให้เนิ่งด้วยการเวียการพุทโธ โดยด้วยกันเดนจะใช้อุบายแห่งปัญญาที่จะราให้เห็นว่าร่างกายมันรู้หรือเปล่าเวลามันเจ็บกระดูกมันรู้หรือเปล่าว่ามันเจ็บเวลาเขาเอากระดูกไก่กระดูกหมูไปต้มในน้ำร้อมันรู้เสึกว่ามันเจ็บหรือเปล่านั่นมันก็เป็นเหมือนกับเหมือนกับวัตถุอชิหนึ่งที่ไม่รู้เรื่องอะไร ร่างกายของคนที่ตา ย, ต ى, ยงไปแล้วเวลาเอาไปเผาฟัมเขารู้เรื่องหรือเปล่าเขารู้ว่าเขาเจ็บหรือเปล่าเขาไม่รู้หรอกผู้รู้ก็คือใจแต่ใจไม่ได้ถูกเผาเท่าไหร่ทํานใจไปไปทุกธรมานแทนร่ า, างกายทำไมก็เช่นเดียวกับความเจ็บของร่างกายที่กําลังเกิดขึ้นอย่งนี้ใจไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นผู้เจ็บเท่าไหรแต่ทำงานใจเป็น ทุกทรมารกับความเจ็บของร่างกายยังไงทำมาไม่ปล่อยให้เขาเจ็บของเขาไปตามเรื่องเพราะนิสัยเรามันมันถูกปลูกฝังมาให้รังเกียจให้ปฏิเสธความเจ็บของร่างกายพอเกิดความเจ็บของร่างกายต้องต้องต้องทําให้มันหายไปคือไม่ได้ปล่อยให้มันหายต้องทําให้มันหายไปถ้ามันเจ็บขยับหน้าแก้ขยั ถ้าขยับนล้นยังไม่หายเจ็บก็ไปหายามารับประทานาเจ็บ ต, ตรงนั้นปูดตรงนี้หายามาทาายาหมอหายามารับประทานยาแก้ปวดเรียนมังไม่ได้เป็นการระงับดับความเจ็บที่เกิดจากสมุทังคือความความชอบหรือความชังอันนี้เราต้อง รางับความชอบหรือความชางังในในเวทนาต่างๆเช่นสุขเวทนาเราก็อยากไปชอบทุกเวทนาเราก็อยากไปชงังเราต้องทํใจให้เป็นกลางเฉยๆสุขก็ไม่ยินดีทุกก็ไม่ยินร้ายเท้าเป็นตามเรื่องของเขาทำใจให้สับแต่ว่ารู้ให้อยู่เหมือนกับอยู่ในสมาธิ ถึงแม้ว่าจะรับรู้ก็รับรู้เฉยๆไม่มีอารมณ์ถ้าไม่มีอารมณ์รักอารมณ์ชังก็จะไม่มีสมุทัยจะไม่มีภาวะปัญหาหรือวิภาวะปัญหาภาวะัญหาก็คืออยากจะให้เป็นอย่างนี้เช่นสุดไม่ทนาก็จะเกิดภวตัญหาอยากให้สุดอย่างนี้ถ้าเป็นทุกเวทนาก็จะเกิดวิภาวะปัญหาอยากจะให้ใน หายไปเย่ก็เป็นการสร้างสมุธัยขึ้นมาสมิทัยนี้นะครับคือต้อนเหตุของทุกอริยสัจทุกสัจสมิธัย น, นี้เป็นสมุธัยรัศดรอันนี้แบบคือคืออริยสัจสี่ถ้าจะปฏิบัติธรรมจะจะหยุดค้นจากทวามทุกข์ไดก็ต้องเห็นอริยสัจ ในใจนี้แหละไม่ใช่เห็นความเจ็บปวดของร่างกายไม่ได้ไม่ใช่เห็นเห็นอสุภะเห็นอะไรเห็นตะปตุกูเห็นความตายสิ่งหลนี้เป็นเพียงเครื่องมือให้เราหยับสมุดทางที่เกิดขึ้นเพราะถ้าเวลาที่เราเห็นความตายแล้วเราก็จะเกิดกลัวกลัว กลัวตายขึ้นมาความกลัวตายนี่แหลก็เคยสมุทยัยเป็นวิภาวษปัญหาไม่อยากจะตายเราต้องใช้ปัญญาเข้าระดับตัญหาวิพากษ์ปัญหาดับสมุทยัยด้วยความจึงว่าร่างกายนี้มันต้องตายยอมนับความตายพอจิตยอมนับความตายของร่างกายได้ ความกลัวใจก็จะหารยไปแต่ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงความใจของร่างกายหน้างกายก็ต้องการเหมือนเดิมร่างกายของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์ท่านก็ต้องการเหมือนเดิมร่างกายของเราก็ต้องการเหมือนเดิมแต่ความกลัวในใจของพระพุทธเจ้าในใจของพระอรหันต์ไม่มีแต่ใน ใจของพวเราของกุขชมยังมีความเกลียอยู่เพราะว่าไม่มีปัญญาไม่มีสติไม่มีสมาธินี่ที่จะเป็นตัวที่จะทำให้ใจนิ่งเฉยนับรู้เฉยนับรู้วางการเฉยนับรู้วางการของร่างกายว่าเป็นเรื่องของร่างกายผู้รู้คือใจไม่ได้ตางไปจากร่างกาย ทำไมจะต้องไปขึ้นไหวไปกับใครเรื่องถ้าปฏิบัติท า, างความเจ็บปวดคือความกลัวความเจ็บปวดหรือความกรัวควา ม, ววามวตายได้ก็จะต้องเห็นอริยสัจสี่จะต้องเห็นทุกข์ที่เกิดจากความกลัวความเจ็บปวดกลัวความตายแล้วก็จะเห็นนีโรภตามดับของทุกขางใจํญญาที่เกิดจากการมีปัญญาเห็นว่าความตายเป็นธรรมดา เลยเห็นว่าความไม่สวยงามนั้นอ ส, สุภะหรือปฏิปรูนั้นมีอยู่ในใจอันนี้จะมีอยู่ในร่างกายถ้าเห็นอย่างนั้นแล้วการมาตัณหาหรือราคะการมาราคะก็จะ บ, บไปความทุกข์ที่เกิดจากการมาราคะความฆ่ายินดีมันก็จะดักไปก็พอมันดับไปก็ไม่ต้องไปหาคนที่เรารักเราชอบเพราะ ที่เราต้องไปหาคนที่เรารักเราเชอบเพราะว่าเราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอยู่ไม่เป็น ต, ต่อคติเกิดอารเกิดความแคร่อยากที่จะหลับนอนกับเขาแต่พอเห็นว่าเขาเป็นสุภะเป็นตะปูกลูเห็นอาการสาสิบสองเห็นครองกระดูกเห็นตับไตไส้ทุงเห็นเสียงสกปรกทั้งหลายที่มีอยู่ในร่างกายก็จะหลับ การมาหลรรมวการมาัญหาได้ความทุกข์ก็จะหายไปก็ไม่ต้องไปหาเขาให้สียวอย่างไอยู่เฉยๆมความสดมากกว่าพอทุกอย่างล้วไม่มีอะไรจะมีความสดท่าที่ปฏิบัติทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะให้เห็นแนวิยาศาสตร์ส่งนี้ที่นั่งให้จุดให้ปวดที่นั่งกลางก็เพื่อที่จะได้เห็นความกลัวความเจ็บปวด น่าความทุกข์ที่เกิดจากความกลัวความเจ็บปวดนั่นก็จะเห็นวิธีแก้คือจะเห็นปัญญาาว่าปัญญานี้จะแยกใจออกจากกายสอนใจให้นับความเจ็บปวดของร่างกายว่าเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนฝนตกแดดออกเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราไม่ไปวุ่นวายกับขเขาแล้วเราไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเราไปเจ้าที่เจ้าการเราจะเดือดร้อน เราต้องปล่อยเท้าไปตามเรื่องของเก่าความกลัวเจ็บความเจ็บปวดมันก็จะดับไปเมื่อความกลัวจางเงินก็จะหลัไปเราไปอยู่ในที่น่ากลัวใจ น, นั่งเกิดความกลัวมากๆที่ว่าจะตายจริงๆแล้วก็ยอมตายเลยพอยอมปลั๊กความกลัวตาย ก, ก็จะหายไปจิตก็จะโลดเบาสบาย ตรงนี <orphan> ้จะร่างกายจะตายหรือไม่ตายก็ไม่สําคัญแต่ความกลัวตายเมตตาจะนะไอ้ตัวนี้สําคัญกว่าที่ปฏิบัติทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะดับไอ้ตัวนี้ให้เมตตาจะคือความทุกข์ใจนี่ทใจที่เกิดจากความกลัวทางเจ็บปวดทุกที่เกิดจากความตัวความตายเมื่อกลัวเสื่อสีตัวกลัวความ สูญเสียสิ่ตงต่างๆที่เราน่าชอันเราจึงต้องสอนใจให้คล่ยวางอย่างประยุกต์อย่างประจิตเพราะจะทําให้ใจของเราต้องทุกข์ทรมานใจถ้าเรามีปัญญาแล้วเราจะไม่ทุกข์ปัญญา น, นี้จะจะจ ะ, จะมาช่วยเราทุกครั้งเวลาที่เราเกิดความทุกข์ใจถ้าเรามีปัญญาถ้าเราฝึกสอน คิดไปทางปัญญาหังจะไม่ไปหาสิ่งอื่นมาดับทุกข์เพราะสิ่งอื่นๆนม่นดับทุกข์ไม่ได้เพียงแต่ปลบไว้ได้ชั่วคราวเช่งไม่สมายใจก็ไปดินเซวาหรือไปเที่ยวหรือไปหาเพื่อนไปคุยไปปรับทุกข์อะไรที่ว่ากันแล้วก็เพียงแต่ไปกลบความทุกข์ที่ผ่านในใจ พอไม่พอไม่นานมันก็กลับมาอยูย่เหมือนเดิมจงกล่าเราจะยอมรับความจริงของของความทุกข์นั่นเองถ้าเรายอมรับความสูญเสียได้บาจะเสียอะไรก็เสียไปบางทุกขนั้นก็หาไม่ต้องไปตับทุกข์กับใครจะได้หรือไม่ได้ก็ก็ไม่เป็นไรงนี้ ความทุกข์ก็มีแต่ถ้าคิดว่าจะต้องได้อย่างเดียวแล้วพอพอเหตุการณ์มันไม่ได้เป็นไปว่าจะได้มันก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นดังนั้นเราต้องมีข้อมูลต่างๆไว้เพื่อนอนดับความอยากของเราดับดับความดับกามะดับกามะตัณหาดับภาวะตัณหาดับทวทิภาวะตัณหา ที่เป็นเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์กำลังใจขึ้นมาอยากความกลัวตายอยาความกลัวความเจ็บัวดอยากความกลัค ว, กค ว, กวความถึงเสียสูงเสียสิ่ต่างๆที่เรามีอยู่กลัวจะตกงานกลัวจะกลัวจะเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปเสียคนนั้นเสียคนนี้ไปไม่ต้องกลัวมันจะไปให้มันไป เราไม่ไปเราก็ต้องไปอยู่ทั้งวันไม่มีใารอยู่ร่วมกันจะตกอดพวกเราทุกคนนี้ห้าสิบปีเฉลี่ยสักสิบเดือสักสิบคนที่จะมานั่งคุยกันตรงนี้นคิดอย่างนี้นัางสิดมันจะกลัวอะไรมันก็ต้องเกิดแน่ๆคิดอย่างนี้เป็นปัม ญ, ญาเป็นมงคลแต่ทางโวกเขาไม่กล้าคิดกันเขาเที่าเป็นอัปมงคนที่ว่าเป็นเหมือนกา ร, าการแช่กรรันมันก็เลยทุกข์ทรมานกัน อยู่ตลอดเวลานดาประโยชน์นอะไรอยู่กับความทุกข์ูอยู่กับความไม่ทุกข์แล้วก็ตายกับความไม่ทุกข์ไม่ดีกว่<ม>ก็ต้องก้าสู้กับความจริงกล้าสู้ว่าสร้งางเราเราต้องแก่เราต้องเียดข่ายได้เกิดเราต้องตายเราต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างได้ไหนี่คือการสร้างพละสร้างกำลังให้กับใจ ถ้ามีสัญญาแล้วสัญญาที่แท้จริงหรือพาันาณไมยับปัญญานก็จะมีกําลังที่จะประเชิญเนื้อรับรู้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นที่ใจของเราจะต้องไปสังขารรับรู้ไม่ว่าจะเป็นความตายของเราก็ดีนี้ของผู้อื่นก็ดีไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดของเราก็ดีแล้วของผู้อื่นก็ดีเราจะ กล้ารับรู้ได้จะไม่หวังหวงจะไม่สะทืสะ้าเพราะเราเป็นเหมือนคนดูหนัแล้วเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับญาการของเร า, ากับชีวิตของเรานี้ก็เป็นเหมือนหนังเนเีใจเป็นผู้นั่งดีอยาใจะไม่ดูเฉยๆใจดูรับต้องไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับเขด้วยเท่านั้นเอง เรามีส่วนได้กับร่างกายร่างกายได้เรามาก็ดีใจทำกับ ร, ร่างกายพอร่างร่างกายเสียเราใกับเสียใจกกับร่างกายก็มีทางนี้แหละเรื่องของการปฏิบัติเพื่อที่จะทำให้เรามีกำลังก็คือเราต้องเจริญอินทรีย์ห้าให้กิดเป็นพลังห้าหขึ้นมาให้ได้เราต้องมีความเชื่อ มัม่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับศาสนาเราต้องรู้จักเนี้ยเนี้ว่าเมื่อไม่ใช่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อรับว่าระอะไรอาจจะเกิดไฟไหม้อาจจะเกิดศัตรูมาทํ า, า, าร้ายมาอะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องของของขององค์ประกอบของศาสนาแต่ไม่ใช่ตัวประกอบสําคัญที่แท้จริงก็คือ พระุทถารมพสงฆ์พระพุท ธ, ธพระธรมสงฆ์นี้มันอยู่ทายในใจมันอยู่ในใจของผู้ที่มีคือพระอริยะเช่นพระพุทธเจ้าและพระอริยสัจสามมุขทั้งหลายพระพุทธพรมสงฆ์เหล่า น, นี้ไม่มีใครสามารถที่จะทําลายได้และเราสามารถที่จะมีไว้ครอบครองได้ด้วยการปฏริบัติสุดปฏิปั น, นี้ เพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับศาสนาเกิดขึ้นกับพระที่อยู่ในดวงวังของพระศาสนาจะมีองค์บางองค์อาจจะปฏิบัตินีบงองค์อาจจะปฏิบัติไม่ดีนั่นก็เป็นเรื่องของแต่และองค์ไม่จําเป็นที่จะต้องทําให้เราเกิดความเสือ่อมศรัทธาที่จะปฏิบัติตามพระพุทธธรรมพระสงคือให้ทานนักษาศีลภาวนาอันนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้ อันนี้เป็นอาการวิโกการปฏิบัติการยายการะทำคมสอนข <Okay. S 1> องพระพุทธเจ้ายที่เป็นอาการวิโกเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องและไม่ต้องกลัวไม่ต้องไม่ต้องหวั่นไหวไปกับเหตุการณ์ต่างๆเราจะไม่ปฏิบัติเราก็ไม่ต้องไปตามเขาเราก็ปฏิบัติของเราไป เขาเบื mammal, ่อไม่อยากจะมาว่าไม่อยากจะมาฟัา ง, า ง, า ง, า ง, างเทพลงฟังธรรมเรื่องของเขาเราถึงเวลาเราก็ามาเรือเราถึงเวลาอยู่บ้านเราก็เปิดฟังเรือ่องตัวนัสืออ่านแล้วก็ปฏิบัติเพราะว่าเรายังต้องฟังต้องอา่านอยู่เรื่อยเพราะ ว, ว่าเรายังไม่มีงธรรมะอยู่ในใจอย่างไรใจของเราคือยังไม่หึงไปทางปัญญาเอง แต่ถ้ามันใจเริ่มหมุนไปทางปัญญาแล้วเริ่มพิจารณาใจแล้วอยู่อย่างสม่ําเสมอแล้วทีนี้ก็จะไม่ต้องอ่านไม่ต้องฟังเท่าที่ฟังที่อ่านนี้ก็เพื่อเป็นการกระตุ้หนหรือ เ, เตือนสติให้เรารู้ว่าเราต้องคิดไปในทางไหนแล้วถ้าเรายังคิดไปในทางยึดยึด จ, จังสึก ข, ขังอัตตาอยู่นี่เราก็ต้องพยายามพิจารณาทางอนิจจังทุกขงังอนัตตาให้มาก ถ้าเรายังคิดทางเรื่องตัวตนเรื่องของการหาความสึกจากสิงต่างๆในโลกนี้นั่นแหละเรายังเราแสดงว่าใจของเรายังไม่หังไปทางธรรมธรเร า, ายังหญันไปทางกิเลสอยู่เราก็ยังต้องหมั่นฟังเทศฟังธรรมอยู่เรือยเพื่อเป็นการเป็นสติจนกว่าใจของเราเรื่องคิดไปในทางอ น, นิจจทุกขอ์อนิจตานะ ทีนี้จะไม่ค่อยต้องอ่านหนังสือเพราะว่าอ่านใจดีกว่าอ่านในใจดีกว่าหนังสือในใจนี่มันมันอ่านง่ายกว่าแล้วได้ผลคุ้มค่ากว่าเพราะเวลาพิจารณาใจรับแล้วใจมันจะเย็นใจสบายทันทีเวลาวิตกกังวลกับเรื่องอะไรพอคิดถึงใจรับแล้วมันจะเย็นเหมือนกับได้ย้ำแข็งเหมือนกับเอาใจเข้าไปว่าในตู้เย็น หาท่านไม่มีตั้เย็ยนจ ก, ก็ต้องอาศัยตั้เย็ยนข้างนอกต้องอาศัยการทเพืคอาำทาการไปหาครูบาอาจารย์เราไปหาครูบาอาจารย์ิตรีไท่านก็จะพูแต่เรื่องธรรมะท่านไมู่ดเรื่องธรรมโลกนี่คือการสอนศรัทธาแล้วพอมีศรัทธาเราก็จะมีวิริยะความสหาที่จะทำให้มากขึ้นปฏิบัติให้มากขึ้น จเจริญสติให้มากจเจริญสมาธิแล้วก็จเจริญปัญญาจนกลายเป็นสติปัญญาอัตโนมัติเขยิมหนุนหงไปทางธรรมะตลอดเวลาพิจารณาเรื่องเกิดแก่เจ็บตายอสุขภะเรื่องดินน้ําลงไฟเรื่องอ น, นิจจังทุกขังอนมัตาถ้าอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องเปิดหนังสือฟังไม่ต้องเปิดหนังสือดูไม่ต้องเปิดเครื่องเสียงฟังเพราะมี หนังเสียงมีเครื่องเสียงอยู่ภายในใจเหมือนแบบที่มีคนใครถามหรืองปู่มั่นว่าเวลาที่ท่านอยู่ในต่าในเขาตามลำพังแล้วท่านไปฟางเทศธรรมกับใครหรือว่ามีปัญหาท่านไปหาใครช่วยช่วยแก้ปัญหาท่านบอกว่าท่านความเทศธรรมตลอดเวลาใจของท่านหมุนไปกับธรรมะเรื่นึ่งพิจารณาไปกับธรรมอตลอดเวลา เป็นปัญญาอยู่ตลอดเวลาเป็นมัจตลอดเวลาไม่ได้เป็นสมุทยยัยเหมือนพวกเราคิดแต่เรื่องที่จะหาความสุขชา่วตาหึงจมอยู่ทีนีกายคิดเรื่องจะจะเป็นนั่งเป็นนีค่คิดเรื่องที่จะอยากจะไม่ให้เป็นอย่างนั้น <lifting> ไม่อยากให้เรื่องนั้นเป็นอย่างนี้นจะคิดแต่อย่างเนี้ยมันก็คิดแต่เรื่องสมุทยัย <s ius> ใจก็มีแต่ควารมรุนร้อนมีแต่ความทุกข์ทรมารอยู่ตลอดเวลา ถ้าใจเป็นอย่างนี้ก็ต้องไปอยู่ใกล้ๆภูบาจารย์หรือไม่เช่นนั้นก็ต้องเปิดเทพเปิดธรรมะฟังหรืออัานหนังสือไปเรื่อยๆอย่าไปดูหนังตามเพลงอย่าไปดูละคร น, นั่นนี่มันไม่เกิดประโยชน์เลยเรื่องของสมัยไทยเรื่องของโลกเรื่องของความทุกข์เท่า น, นั้นนี่คือการสริมสร้างทสี่ห้าให้เป็นทาราห้า ที่จะฝากให้ท่านทั้งหลายง่้ยงาไปาที่นิติจรารย์และปฏิบัติอันนี้ธนาที่ผท่องไปหลายก็ได้ทราบว่าจะไปปฏิบัติธรรมกันว่ามีวันศรสี่วันเจ็ดตากมีแต่เวัาที่เท่าที่ได้มี น่ถ้าเาที่บ้านให้เป็นวัดได้เราก็ไม่ต้องไปที่วัดกันแล้วเอยู่บ้านแล้วเราก็ปฏิบัติได้ร่งรักษาิีลกัได้เจริญสติเจริญสมาธิกจริญาได้เรก็อยู่ที่บ้านก็ได้แ่ถ้าบ้านมันไม่อำนมันไม่สัตว์ปายก็ต้องไปหาสถานที่สักก์ารเช่นสถานที่อย่างที่เราอยู่กับตรงนี้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติมันจะไม่มี รูปเสียงเกล็ดรถต่าง ๆ, ๆที่จะมาเยื่อยุให้เกิดการมตาตังหะเกิดการมาฉันทะแต่ถึงแม้ว่าจะไม่มีรูปเสียงเกล็ดรถมาเยื่อยุอี่เลสมันก็ยึดโตัวของมันเองได้ถึงแม้ไปอยู่ในป่ามันก็ยังปรงแต่งเรื่องทางโลกขึ้นาได้ถ้าไม่มีสติถ้าไม่วควบคุมจิตมันก็จะเผลอคิดไป่ได้ ท้าไม่ให้ถ้าไม่มีธรรมะหล่อเลี้ยงจิตใจมันก็จะคิดได้ถ้าเราหมั่นคิดทำธรรมะอยู่เรื่อๆเช่นพิจารณาการสามสิบสองไปเรื่อยๆนึกถึงอาการสามสิบสองไปเรื่อยๆอย่างนี้มันก็จะมีธรรมะไว้คอยหล่อเี้ยงจิตใจอยู่ห่างไกลลูกเสียงเกิ่นแล้วก็ยังต้องควบคุมใจแต่อย่างน้อยมันก็ทําให้ ช่องที่กิเลสจะออกมาด้านมันถุกถูกปิดไปเช่นปิดปิ ด, ป, ด, ป, ดปิดช่องของตาหูจมูกเล่นการก็เหลือแต่ใจช่องเดียวเราก็ควบคุมใจคอยเฝ้าดูไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องสวยเรื่องงามเรื่องที่จะทำให้เกิดการาอารมณ์ต่างๆขึ้นมาหรือเราจะเอาปัญญาให้ใจคิดไปทางปัญญา มันก็จะไม่เกิดอไรมณ์ต่างๆขึ้นมามันก็จะมีความสบุบมีความเยน็นมีความสบายแล้วมันก็จะมีความฉลาดต่อไปนีจพิจารณาบ่อยๆแคาแล้วต่อไปมันจะเป็นอัตโมนะมันจะเป็นอนยมตามตัวเราพอมองเห็นอะไรมันจะเห็นพร้อมกันเป็นหลักใหญ่เห็นว่าเป็นทุกกตาตัวหนึ่งเปน็นน้ำลมไฟ เป็นสุภาะเป็นปฏิกรณเป็นอาการสามสิบสองเป็นดินน้ำลมฝันมันจะเห็นทันทีมันก็จะไม่มีอารมณ์ต่างๆที่จะไปผูกมัดที่จะไปคิดว่าเขาเป็นเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นพี่เราเป็นน้องเราแต่รู้รู้ว่าเขาก็เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องแต่ก็รู้ว่าเขาเป็นเพื่นทุกประารเป เป็นเพียงดินน้ําลงไปก้อนหนึ่งที่สักวันหนึ่งก็จะต้อง <c oughs> แยกตัวกันไปแยกทางกันไปดินน้ำมูลไฟที่รวมตัวกัเป็นผขงขนแยกฟันก็จะแยกกันไป <c oughs> ถ้าเราอยู่ที่ไหนที่เราสามารถจเจริญสติสมาธิปัญญาได้ที่นั่นก็ถือว่าเป็นวัดของเรา วัดก็คือที่ที่ทําให้เราเจริญมักได้ถ้าไปอยู่วัดแล้วก็ไม่ได้เจริญมากมันก็เหมือนกับไม่ได้อยู่วัดจริงๆหรืวไปอยู่ในป่าสงบที่ว่ากแต่ิดแต่เรื่องบ้างเรื่องลูกเรื่องสามีเรื่องภรรยาอย่างนี้ก็มันก็ไม่ได้อยู่ที่สงบอยู่ก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะขาดสติ ไม่มาสิคอยคอยคอยผูกใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ mm hmm. แล้วเราต้องมีอะไรมีสติคือเชื่อมันก็ต้องมีเสาไว้ผูกไว้โยงไว้ mm hmm. ียงเราจะเอาพุโทโธก็ได้หรือ mm hmm. เอาร่างกายนี้ก็ได้ร่างกายจะลังทำอะไรก็ ผูกใจไว้กับร่างกายให้รู้แต่เรื่องของร่างกายนีะดูร่างกายที่เราก็เล็งเห็ผมกล้ามเนื้อฟันหนงนี้เอ็นกันอไปเรื่อยๆที่จะมาไปเรื่อยๆให้มันเกิดความเคยชินขึ้นมาเกิดความชางานขึ้นมาแล้วต่อไปมึงจะจะเฉยได้กับกับเรื่องราวต่างๆของร่างกาย เรื่องของของเราก็ดีเรื่องของผู้อื่นก็ดีจะไม่มีอารมณรักไเ่มีอารมณ์ชัเฉยเฉยจะรักจะชังกับดื น, นมน้ำเมือนครทำไมเวลาเราโดนเราเปรียบคนที่เรามไม่โกรธแต่เวลาใครสาดน้ําใส่เราเรากลธเพราะเราไม่เห็นว่าเขาก็เป็นเชียงดินน้าเห ม, มือนใครเราเห็นว่าเขาเป็นคน แต่ถ้าเราเห็นว่าเขาก็เป็น น, น, ปน้าเหมือนไฟน้าที่เขาสาดใส่เราันก็เป็นน้าเหมือนกันน้ำฝนที่เราถูกฝนในบางเวลาเราเดินไปถ้าฝนตกแล้วเราไม่มีร่มเราก็ต้องเปียกฝนอย่างนี้เราไม่โกรกฝนแต่ถ้าใครเถอะรือไม่เถอะก็ตามสาด น, น้ำใส่เราเราจะโกรกคืออะไรทังที หรือถ้าใครขับรถมาชนรถหลงังเราจะโกรธแต่ถ้ารถอยู่ดีๆไหลามาชนไม่มีคนขับเราจะไม่กลรธเพราะว่าเราเห็นว่าเป็นคนหรือไม่เป็นคนถ้าไม่เป็นคนก่จะไปโกรธใคนถ้าเป็นกคนก็มีมีเฝ้าให้กรธได้แต่ถ้าคนที่เราเห็นความจริงก็ไม่ได้เป็นคนเราไม่ได้เห็น ก็เห็นว่าเป็นธาตุธาตุธาตุหเขามีธาตุสี่คือ น, น้ำลมไฟืนร่างกายเขาแล้วก็มีมีธาตุใจคือธาตุเือก็คือใจเป็นผู้ควบคุมสั่งการร่างกายอีกทีก็เป็นธาตุตรนี้มองให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นธรรมชาติไม่มีตัวไม่มีต่อมไม่ในของเราของเขา ท่าของเขาพระท่าของเราก็เหมือนกันเราก็ดึนหน้ามือไปเราก็ดินหน้ามือไฟเขาก็ท่าเรือเราประทานรือเท่ากันเขาก็เกิดแก่เสด็จตายเหมือนกันเราก็เกิดแก่เิดตายเมือนกันคิดไปทางเรื่อยๆแล้วต่อไปใจก็จะนม่งเฉยได้จะปล่อยวางได้ ทำไมเราไปคิดแ ก, ไ, ดออ ก, กไม่ได้เพราะเราจำไม่พับคุยล้วนั่นอยต้องต้องตื่นเพล่ต้องอยู่คนเดียวถึงจะสามารถควบคุมความคิดของเราให้ไปยใงในทางมัม่งได้เพราะอยู่กันหลายคนนี้มันถูกชวนกันไปนอกจากว่าอยู่กับพระอริยะท่านนี้นท่านยัไม่ชวนเราไปทางอื่ คุยกัท่านนั่นกจะคุยแต่เรื่องนี้รท่านก็เรียกว่าสเส้ น, นวิญญาณจะบาวานอย่างบางิการมันจะเสนวิญให้คบมันดิบอย่าคบคนพายมันดิตก็คือพระอริะเคนพานก็คือปุถุชนอย่างพวกเราคนพายก็ ค, คนโง่ข้าจะอธิบาภาษาบาวเรค่วคือ ม, มันต้องข้ามกับธรวมามันดิบมันดิบเป็นคมชรา คามนี่แปลว่าคนโง่คนโง่ก็คือคนหลงมันมีความหลงโลหะครอบงมจิตใจก็จะคิดไปในทางโลกยากบัณฑิตก็จะมีธรรมลุมกก็จะคิดไปในทางทางมรรคทางธรรมมเป็นสอนให้เราครบบัณฑิตอยากเป็นคบคนพาลให้ท่อหาพระอริยเจ้าให้ท่องหาพระสุภุตติโย เวลาฟังท่านพูดอะไรนี้ท่านจะมีแต่ธรรมะล้นลูกเราไม่มีเนื่องำทางนล้นอะเกี่ยวข้องใจของเราก็จะได้เหมนไปตามตามแต่ถ้าไปคบกับคนพางนีอยู่กับคนพางนี่เดี๋ยวก็คุยว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดีร้านอาหารที่ไหนเนื้อหาอร่อย มันก็จะไปทางโลกแล้วเรื่องที่ได้ยินได้ฟัง ม, มาเกือบสองชั่วโมงนี้ก็จะหายไปยตแต่ถ้าเนียอย่างคุณสุเมธนี่ยังปฏิบัติทางต่อเนี๋ ย, ย, ก, ก, ยก็กลับไปที่พักก็เดินจะคงต่อพาวานาต่อเปิเปีเลยธรรมะที่ได้อยูน่นี้อาจจะพิจนณ า, าต่อแน้ว ก็จิดก็จะมีกําลังมากขึ้นไปเรื่อยก็จะมีความสามารถที่จะต่อสู้กับอารมณต่างๆควาเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดได้จิตก็จะก้าวหน้าไปขยับไปเรื่อยๆงั้นอย่าไปโทษใครว่ามาฟังเทศตั้งหลายปีแล้วยังไปไม่ถึงอย่างนี้อย่าไปเทศอยา่าไปโทษคนเทศนะ <laughs> ถ้าคนฟังว่าฟังแล้วมหมื อ, อกับทับทิ่ในหม้อแก่งหรือฟังแบบเข้าหูซ้ายหูขวาไม่ว่าเข้าไปในใจไม่มีหลงเหลือลยอยู่ในใจเลยในใจก็ยังเป็ น, น, นไปด้วยสมิทธิ์ใจคือกามว่าการหาภาวะการหาทีภาวะการหา ความจริงทุกอย่างก็มีแค่นี้แหละอยู่ที่ว่าเราจะสามารถทําให้มันจริงขึ้นมาในใจเราได้หรือเปล่ทาทำใจของเราให้เป็นมรรคให้ได้หรือเปล่าว่าใจาของเราตอนนี้มันเป็นแต่สมุทายมันเป็นแต่ด้วยการมรัคหาเพราภาวะตันหาวิชาวัตตานหาเราจะมีวิธีอย่างไรที่จะทำให้มันกลายเป็นมรรคกลายเป็นสมาธิกลายเป็นสิิกลายเป็นปัญญา ถ้ามันทำให้ใจกลายเป็นสติสมาธิเป็นปัญญาได้สมุทัยที่มีอยู่ในใจก็จะถูกขับไล่ออกไปไม่มีหลงเหนืออยู่ในใจพอไม่มีสมุทัยอยู่ในใจก็จะมีเมญโยโรก็จะมีนิพพานเป็นผลตามมา่าง น, นั้นจะหลักกายตัวไม่ว่าพระพุทธเจ้ากี่พระองค์จะมาปัเฉริยะมาสอนทรม ก็จะสเรื่อง้เานั้นรื่องอาวุธศัตรูที่อยู่ในใจของสโลกสโลกมีแต่สนไทยเป็นส่วนใหญ่เีสมุทัยกับทุกส่วนมากคกับนโรดนี้เีน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลยเราต้องมาสร้างในโรดสร้างมรรคให้เกิดขึ้นมาภายในใจให้มีมากจน สามารถที่จะขับทุกขกับสมุทัยให้หมดสิ้นไปจากใจเราเหมือนกับเรามีบ้านเนี้ยเราขุ้นข้าวของเก่าออกไปแล้วเอาข้าวของใหม่เข้ามาของเก่าของพวกเราก็คือสมุทัยการมาตังหาภาวะตังหานิภาวะตังหาเราก็ขนไม่ออกไปแล้วก็เ อ, อาเอ า, เอามรรเข้ามาเอาสติเอาสมาธิเอาปัญญาเข้ามาไว ถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วสมุทัยก็จะกลับเข้ามาอยู่เลยถ้าเราไม่มีสติสมาธิปัญญาเดี๋ยวสมุทยัยมันก็จะกลับเข้างาเลยท่านยังบอกว่ามรต้องเจริญให้มากเริญใหมากเริ่มตน้นด้วยการทมเพียรทำทางศึกษาทำมะไปก่อนไมว่าปาริยัติการ เมื่อแล้วเมื่อได้ยินได้ทําแล้วก็ออกไปปฏิบัติเอาไปเจริญสติเอาไปทําสมาธิเอาไปเจริญปัญนาทําให้มากทำให้ได้ทุกลมหายใจเท่าออกแม้แต่ตื่นใจหลับรับรองไม่เกินเจ็ดปีอย่างแน่นอนถ้าเจริญมากย่างทุกลมหายใจเท่าออกแแต่ตื่นใจหลับเนี่ยไม่เกินเจ็ดปี จะต้องจะต้องเห็นผลอย่างแน่นอนไม่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าจะไม่ไม่ไม่ทรงพยากรณ์แล้วไม่ได้ทรงกรรําหนังว่าเป็นใครด้วยถ้าไม่ส่งกรรําหนังว่าเป็นพระหรือเป็นคาววะเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ไม่สําคัญสําคัญว่าจ ะ, จะเจริญมรรคเนี้ยได้หรือเปล่านั่นเองจเจริญสติสมาธิปัญญาได้หรือเปล่า ถ้าจเจริญได้ทุกลมหายใจเข้าออกเจยิยืนนั่งนอนในอยเบกขาติไม่ว่าจะทำอะไรต้องมีท้งอย่างเจริญไม่สติไมรร่สมาธิไม่ใช่ไหมก็ปัญญาถ้าอย่างนี้ยกเว้นเวลาหลับท่านั้นที่จะไม่ได้เจริญไม่เกินเจ็ดปีอย่างแน่นอนเจปีนี่ก็เป็นอย่างช้านะบางคนเจ้าท่านก็ทรงถามว่าเจ็วันนั้น เป็นได้ไม่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าจะไม่ส่งะยากรณ์อยู่ที่ว่าเราจะทูเทวิเลียหรือที่ว่าเรามีศรัทธาต่อคําสอนของพระพุทธเจ้ามากน้อยเพียงไรถ้าเราได้ศรัทธาว่รจัสมเราก็จะต้องทิ้งทุกอย่างเลยไม่ศรัทธาอย่างอื่นศนระัทธาในคําสอนอย่างเดียวก็ต้องไม่เอาอะไรเล ย, อ, ยออกเลือดได้เลย ตอเวลาก็ไม่เอาสามก็ไม่เอาลูกก็ไม่เอาสมบัติเข้าของเงินทองความสุขทางตาหูจมาหทุกการไม่เอาเอาแต่มรรคอย่างเดียวภาวาเดินจงกลมนั่งสมาธิปีที่้นหาที่สงบอย่างนี้รับดองได้ไม่เจ็บวันก็เจ็บตึงจะต้องเห็นผลอย่งนี้มา เป็นเรื่องของเหตุข hey. องผลมันไม่ได้เป็นเรื่องของบุคคลเป็นเรื่องเหตุเรื่องผลผู้หญิงก็ทําได้ผู้ชายก็ทําได้เด็กก็ทําได้ทู้อยญ่ก็ทําได้เราดฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะบวชลูกชายท่านตั้งแต่อายุหกเจ็ดขวบทั้งนี้เอก็เอามาเบิดเลยนั้นก็อยู่กับพระอริยะเจ้าทั้งหลายอยู่กับพระอรหันต์อยู่กับพระพุทธเจ้าก็บรรลเป็นพระอรหันได้ ไม่เป็นตัญหาหรอกปัญหาอยู่ที่ว่าเราสามารถที่จะบังคับใจของเราให้ไปในทางมาั้งทผลได้หรือเปล่าตรงนี้หรือว่าเรายังไปติดอยู่กับทางกีเล็ดทางตัญหาอยู่ถ้าไปทางทีเด็ทางตัญหามันก็ไม่ได้ทางที่จะบรรลุมากผลนี่ทางได้ เรากำลังเดินถูกทางหรือเปล่าเรามาทางนี้สองชั่วโมงแล้วก็ไปทางนี้รับสามถสองร้อยชั่วโมง <c oughs> แล้วมันจะไปถึงไหนยังไงเราก็มาทางนี้สักสองร้อยชั่วโมงเข้ากันนั้นสก็องชั่วโมงคิดว่าคงจะเข้าใจนะ ทั้งหมดนี้ข้าีที่ตัวเราเองเราต้องเป็นคู่เลือกทางเดิแล้วทางนี้ก็เป็นทางรักที่สุดแล้วไม่มีทางที่ไหนจะรับกกว่านี้แล้ว่างที่สุด้เจ็ดวันนี้ไม่ช่างเลยนะมิะเชีแค่เจ็ดนาที <c oughs> มีใครจะพูดอะไก็พูดได้นะวนก่อนนั้นในในในวิดีโอของมูกตาเนี่ยเดียวกิร้าเนี่ยไปที่เกิดที่ทนได้ตัวตุกให้มาที่สาวให้มาที่เามยให้ตอนที่ยี่พาสินลูกตาไปเขาเลอ๋อเนี่ยผมงสงาชิหลายคนไป โคงการนั้นก็ห่วงยายกศีนดุขานคกาเป็นพยายามเป็นที่ทำสุดหัวใจว่พพาะเราไม่สุดหัวใจกับท่านนลยทำให้บูชาเป็นปฏิบัติบูชาเลย หัวอะไรหัวอะไรอยู่นะมีอะไรหน้าหัวมีอะไรหน้าหัวมีแต่อนินนนนนจํ์ทุกข์ขังนักา จ, งไงไาจาช่ถ้าอาจรย่เาถือสีห์ห้าอย่างนี้นะครับมันเหมือนมีแบบแรงจูงใจให้เราผิดสีเยอะมาก แบบข้ขอยสีเข้อสี่ <rotated. S 2> สนี่ต <er ัวดีเลยคือแบบเขาถามอะไรมาแต่ถ้าเราตอบความจริงแล้วเขาก็แบบเสียน้ําใจอะไรอย่างเงี้ยครับพยายามไม่พูดเขาก็ซกักอย่างเนี้ยไม่ตอบอยู่นั่นแหละก็ก็เลยต้องตอบไปครับด้ยความจริง เ, เราไปคิดว่าแล้วเขาจะเสียน้ำใจมั้ยเราไปคิดว่าเพราะเรายังไม่อยากได้เขาเสียน้ําใจเราย่าไปคิดอย่างนั้นสิเขาจะเสียน้ำใจเขาเรื่อยๆคร เราอย่เสียสัรไม่ดีกันเราเป็นใครเป็นลูกเสือกันสู่ออยเสียสันนะเราอย่าไปเสียดายน้องจของคนอื่นถ้าเราพูดความจริงแล้วเขาโกรธเราเสียมายก็ดีจะได้จะรู้ว่าเป็นเพื่อนจริงหรือ่าถ้าเพื่อนจริงแล้วพูดความจริงจะมาโกรธกันได้ยังไง้องคิดดูนะเองหาคิดมาลองคิดถึงเอง ที่ว่าถ้าเราทำเรารักษาสินักคนเรามาเปลี่ยดมาโกรธเราก็แสดงว่าเขาไม่ใช่เพื่อนแท้ของเหรือเขาแม่ไม่เป็นคนที่เราน่าจะพบด้วยหรือว่อาถ้าเราคิดว่าพูดเรามันเสียหายก็อย่าพูดก็แล้วกันที่เราไม่มีสติใจของเราเร็วมากแต่ใครถามอะไรมาพราะเจ้ามันจะตอบกลับมาทันทีเราก็ต้องหา นับหนึ่งสองสามก่อนก่อนจะตอบให้นับหนึ่งถึงห้าก่อน mm hmm. แล้วคิดดูก่อนว่าควรจะตอบหรือไม่ควรจะตอบ mm hmm. ถ้าจะตอบก็ต้องเป็นความจริง mm hmm. ถ้าตอบความจริงไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดอะไรเราจะรักษาได้พร mm hmm. จะพุทธเจ้าเคยสอน 3, ถ้าเราเหูเรื่องเรื่องควาเรื่องของการพูดแบบนี้ ลรงตัดน้าขึ้นมาเต็มขังอยู่ขังอยงแล้วเราบอกกับอนณาคหร ว, ว่าเวลาที่เราโหนพูดตดครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้า ก, ก็จะเทน้ำออกหน่อยนึงเหมือนกับที่มี ก, กีเปรอนน้ำใส่เข้าไปในนี้ถ้าพูดตดครั้งหนึงก็เหมือนเทน้าออกจากขังไปหน่อยนึ่งถ้าพูดตดเรื่อยๆเทออกไปเรื่อยๆเยนื้อหน้าก็จะไม่มี อ, อะไรเหลืออยู่กาเปรียบเทียวน้ำนี่เหมือนความดีที่มันอยู่ในตัวเรา สุดขั้วที่เราพูดตันี้เหมือนกับเราเราเทความดีออกจากตัวเราไปเราไม่เสียดายความดีแล้วกลับไปเสียดายความรู้สึกของคนอื่นเขาทำไมเราไม่รักษาความดีของเราไว้เราทุกอย่างนี้คนอื่นเขาเขาไม่มาทุกมาม า, มาเดือดร้อนกับเราเวลาที่เราทุกเวลาที่เราเดียดร้อนเวลาที่เราไม่มีความดีมมนี่เราไม่มีเครดิตนี้ ถ้าพูดต่วนนี้ก็จะเป็นเหมือนแดดที่แม่รัวจะไปพูดอะไรกับใครก็จะไม่มีใครเชื่อเราเราต้องคิดถึงความดีของเราเพราะการที่เราพูดส่วนนี้เราเสียความดีของเราไปมันคุ้มค่ า, ากับการไปรักษามนใจของผู้อื่นก็ได้เลยถ้าเราคิดแล้วต่อไปเรื่องการรักษาเสียนข้อเสียนนี้จะง่ายมาก ก็ไม่พูดเท่านั้นก็ก็รักษาได้นะทรไมต้องพูดเนี่ยพอสเตอร์ปิดปากไว้ก็ได้เดี๋ยวนเราที่เราคบค้าสมาคมกันได้ก็เพราะเชื่อถือกันได้ถ้าเราเชื่อถือกันไมได้นะแล้วจะใครจะมาคบค้าสมาคมกับเรา ไว้ใจไม่ได้พูดพูดอย่างหนึ่งทาอย่างนีเราต้องเห็นคนกล้าของสัจจะความเนี่ยความจรงว่ามีคนณคานี้กว่าคนอื่นคนอื่นเขาเราคบเขาจะคบกับเราเพราะก็เป็นของเขาเขาไม่คบกับเราแล้วก็ไม่เสียหายเลยแต่ถ้าเราไม่มีสัจจะนี่เราเสียหายมากกว่า เราเสียความดีในดวงมันไปใจนะแค่เรื่องเซ็นข้ออื่นก็เหมือนกันเนี่ยเหมือนก็เป็นความดีนะการรักทรัพย์นี่ก็ไม่ดีนะถ้าไม่รักทรัพย์เหมันก็ดีคนที่ไม่รักทรัพย์เกี่กับใครเขาก็ปลอดภันเขาก็สบายใจเขาก็ยอยู่ที่จะให้เราอยู่ด้วย เ, เราไม่ได้เรากได้มีที่อยู่อาศัยเขาก็ยังดีเปิดบ้านต้อนรับเราเลยเพราะเขารู้ว่าเราไม่รักทรัพย์เขาก็สงสบายจใจแต่แล้วเขารู้ว่าเรารักทรัพนะย์น <c oughs> ี้เขาก็ต้องคิดหน่อยนะให้มีอยู่ได้หรือเปล่าบาีเขาก็ต้องปฏิเสธออกไปยิ่งทํารู้ว่าเราเป็นคนข้าวข่าผู้อย่างนี้เขายิาง่ออยงไม่อยากจะให้เราอยู่ด้วย มันการการรักษาสีหน้าแรกนี้มีคนประโยชน์นะมีคนค่ายิ่งกวามทรัพย์สมบัติเป็นอื่นมีสีแล้วการมีทรัพย์เงินมากเมื่อเวลาไปสมัครงานไปทํามาเกิจอะไรเนี่ยถ้าเขารู้ว่าเรามีสีนี้เราจ ะ, าจะเขาจะรับเราเข้าทํางานถ้าเขารู้ว่าเราไม่มีสีนี้เขาไม่อยากจะรับเราเข้าไปทํางาน มีต้นเหตุขอทรนนัพย์ภายในก็คือทรัพย์ภายในก็คือสินสินห้าอย่างยิ่งมีสมายี่สิบข้าให้ยี่งสบายเลยมีคนเอาเงินมาให้ในตลาดเลวลา <c oughs> ไม่ต้องไปทำไม่ต้องไปหาเนื้อที่เกิดทรัพย์ก็คือสีนที่เลยนะโพกสรัางปัญหาสินเป็นเหตุให้เกิพดพกทรัพย์ทัง้งหลาย งั้นถ้าอยากจะร่ําอยากจะรวยก็รักษาสีเงื่อนอยู่แล้วรวยแน่ๆไม่ได้รวยเพราะโกงคนเรารวยแบบนั้นยังไม่รวยแบบแท้จริงพอเกิดก็ถึงกทวงคืนไปหมดย็ดคืนไปหมดเย่างนี้ถ้าโกงเข้ามาเขาเขาจับได้เขาก็ยึดคืนไปหแต่ถ้าถ้ามาแบบสีเงี่ยไม่มีการไปยกดคืนไม่มีใ ค, นะ ไ, ใคไปทวงเงินที่ถวายหลวงตาหรอกนะ <c oughs> <c oughs> มีใครไปสงสัยว่าไปใช้อะไรยุคหาไม่มีใครสงสัยนะให้พยายามมอ ง, งอให้เห็นคุณค่าของสื่อว่ามีคุณค่ายิ่งกว่าสื่ออื่นใดท่้งหมไม่ต้องไปเสียดายสิ่ออืน่นอื่นย่างที่พระเจ้าจบอกให้สละแม้แต่ชีวิตเพื่อรักษาคุณธรรมสี่อนี่ก็เป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งให้สละทรัพย์ก็รักษาวาระ สาระเอาไว้วเพื่อรักษาชีวิตและให้สาระชีวิตเพื่อรักษาคุณธรรมพวกเราไม่เห็นคุณค่าของศีลกันก็เลยเหยียบศีลกันแบบบวมตี้ไปหน่อยทําจนติดเป็นนิสยัยเลยตายเปนเ็นว่าการรักษาศีลนี่เป็นของยากไปพราะเราไม่เห็นคุณค่าถ้าเราเห็นว่าศีลนี่เป็นเหมือนเพชรเง็ดจินดาแล้วเราก็จะรักษาแบบยื่งกว่าชีวิตของเรา คนบองคนนี่ยอมตายกรรมเพชรไว้ในมือรักเพชรนิ่กว่ารักชีสข อ, องทะเลก็มีใช่ไเวลาโจนมาพุ่นไม่ยอมไห้ออต่อสู้เพื่อที่จะรักษาแล้วถึงโจนข่าตายก็รักเพชรนิ่งกว่ารักชีสขอให้เรารักชีสนิ่งกว่ารักเพชรเนีย ถาเราจะรักษาสินห้าได้อย่างสบายอนี้รับเราได้ตั้งแา่นี้ไปคุณจะรักษาสินห้าได้อย่างสบายอ ย, น, น, อ ย, ย, อยนี้คุณรู้ว่าคุณค่าของสีนเป็นยังไงก็ขอให้พวกเราพยายามใช้เวลาในชีวิตของม น, นุษย์้ให้เกิดประโยชน์ให้เป็เพื่อว่าเราไม่รู้ว่าเราจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เมื่อไหร แล้วกลับมาภาวนาไม่รู้ว่าจะได้พบกับพระพุทธศาสนาหรือเปล่าดัง น, นั้นควรพยายามบรรจุพระพุทธศาสนาให้อยู่ในใจขอเราให้ได้ถ้าเรามีพระพุทธศาสนาอยู่ในใจแนละ้วถ้าเรากลับมาภาวนาไม่พกับพระพุทธศาสนาเราก็สามารถที่จะปฏิบัติไปตามลำพังได้เพราะเรามีมีพระพุทธศาสนาอยู่ในใจของเรา คือเรามีดวงตาเห็นธรรมนะถ้ามีดวงตาเห็นธรรมนี้นจะมีครูบาอาจารย์มีศาสนามาคอยสอนมก่ก็ไม่เป็นปัญหาเพราะเรารู้ทางแล้วถ้าเราเห็นอริยสัจสี่นะเห็นว่าปัญหาทั้งหมดอยู่ที่ทุกข์กัุติสมุทยัยนละสิ่งที่จะแก้ปัญหาได้ก็คือมรรคกิริยโลกแค่นี้ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วกิดมาเกี่พวกับปีชาก็จะ จะรู้จักวิธีแก้ปัญหาคือความทุกข์ทรมานใจที่ที่เขามนดวงตาเห็นธรรมมันก็คือเห็นพระอริยสัจสี่ที่เกิดขึ้นในใจเช่งเห็นความทุกข์ทรมานใจที่เกิดจากความกรัวตายแล้วก็ตรงได้ด้วยมั้ว่าอ่ะเกิดมาแล้วต้องตายเป็นธรรมดาถ้ายอมตายปั๊นิโรอก็เกิดขึ้นเลยมันนี้มันจะรู้อยู่กับใจแล้วมันจะติดไปกับ ใ, ใจ ต่อไปมันจะม่เกิดหนา้าผีเพราะผีชอบมันก็ยจะไมโกลัตายเพราะมันรู้จักวิธีแก้วความกลัตายความเจ็บก็เหมือนกันหรือความรักความช่งอะไรต่างๆก็เหมือนกันถ้าเห็นว่ามันทุกข์เพราะรักทุกข์เพราะช่างมันก็จะเลิกรักเลิกชังทันทีนี่คือความหมายของการมีพระพุทธศาสนาอยู่ในใจของเร า, าถ้ามีอยู่นี้แล้วเราก็จะสามารถปฏิบัติ กาวขึ้นไปตามลาดับได้เพราะนี่เปยนเพียงเป็นก้าวแรกของการเห็นธรรมแต่มันยังมีธรรมที่ละเอียดขึ้นไปตามลาดับที่จะต้องปฏิบัติต่อไปการมันจะรู้ว่าเวลาที่เกิดความทุกข์ใจมันจะเข้ามาภายในใจทันทีมันจะไม่ไปแก้ภายนอกมันจะไม่ไปแก้ว่าขาดเสียนั้นขาดเสีงนี้เช่นมันร้อนก็ไปหาแอร์มาติดอย่างนี้มันจะไม่นนนนทำ มันก็จะแก้ความในใจร้อนก็หัดรับความร้อนไปอยู่กับความน้อนไปความทุกข์ใจมันก็จะห่าไปมันจะแก้ปัญหาที่ภายในใจเสมออย่างนี้แสดงว่าเรามีมีทางเดินละเรามีเราไม่ต้องมีคนสอนก็ได้จะอา จ, จะช้าหน่อยเพราะอาจจะหลงติดอยู่ตรงจุด น, นั้นจุดนี้ไปเพราะว่าเรายังไม่เคยผ่านทางนี้มาก่อนแต่ถ้าเรา มีครูมีอาจารย์นี่ก็จะไปได้นึ็วเพราะท่านจะคอยเตือนบอกว่าถึงจุดนี้จะต้องติดเนี่ยจ ะ, จะต้องแก้อย่างนี้เนี่ย ถ, ถ้าถ้าไม่ครูอาจารย์คอยสอนมันก็จะไม่ติดงาน ไ, ไม่ติดเลยพอถึงป้านมันจะรู้เลยว่าออกตรง น, นี้ที่ทำาืคอคอยเตือน้วนะนเหมือนเหมนเรามีคนที่เคยขับรถทา ง, งมาแล้วเขาบอกว่าตรงนี้ถนนไม่ดีนะยเป็นหมนเป็นบลอคตรง น, นี้ทางโค้งอันตรายนะ พอเรามาถึงที่เราก็จะรู้ทันทีแล้วเราก็จะได้รมัดระวังนี่คือถ้ามีคนนำทางมีศาสนาอยู่แต่ถ้าไม่มีแต่ถ้าเรารู้จักทางเราก็ขับไปด้วยความระมัดระวังตรงไหนที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อเราก็ระมัดมระวังตามโค้งเราก็ละมัดระวังเราก็ไปของเราเองได้เพราะอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่คนขับไม่ได้อยู่ที่ถนนไม่อยู่ที่ทางโค้ง ถ้าคนขับมีความระมัดระวังมันก็ไปแล้วแต่ถ้าขับด้วยความประมาทนี่บางทีมันก็แหกโคตรเลยนะดังนั้นก็ชานี้มีโอกาส ก, ก็พยายามเอาศาสนาเอาอริยสัจสีนี้ให้เข้ามาอยู่ในใจให้ได้ให้เห็นอริยสัจส่อยู่ใน ใ, นใจเวลาไม่สบายใจนี่รู้ทันทีแล้วมันต้อเกิดจากสนุทยัยมันไม่ได้เกิดจากอะไรแล้ววิธีแก่ก็ต้องแก้ด้วยนะ ก็คือต้องดับอะไรสมุทัยนี้ให้ได้ดับความอยากอยากให้สิงนั้นเป็นอย่างนี้อยากไปอยากไปทําให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นตามที่เราอยายกถึงแต่ดับความอยากมันจะเป็นยังไงก็มันเป็นไปทางนี้มันก็จะจบถ้ามีอย่างนี้แล้วก็ถือว่าเกิดนาชา้าไม่ไม่เสียชาติเสียได้กําไรได้ต้นทุนไปแล้วมีมีเหมือนกับ ม, ม, มีแถนที่ ที่จะพาให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ยาโดยไม่มีศาสนาถ้าเราบาเกิดพบหน้าชาตหน้ามาเป็นมนุษย์แล้วไม่มีศาสนาอยู่เราก็ยังสามารถปฏิบัติของเราไปได้เพราะศาสานานี่ก็มีอายุเพียงแค่ห้า0ัานปีตามที่ได้ยินได้ฟังมาวราทรงพยากรณ์ไว้อย่างนั้นถ้าเกิดเราไปใช้เวลใช้กรรมนแลนวไปรับบุญบนสวรรค์ หนุ่มตีแสนตีนพอกลับมาก็ศาสนาพุทธก็มโมนว่าจะมีอยู่หรือเปล่าไม่มีอยู่แล้วสำหรับศาสนาพุัธอายุเพียงห้าพัปีแล้วกว่าจะมีพระพุทธศาสนาของพระสีลามาปรากฏพระเป็นตับนังชีวิตนี้ก็อาจจะเป็นลบหนึ่งป้าสุดท้ายก็ได้เันถ้าลบหนึ่งมาก็เรียวกระโดดขึ้นเ ให้เลียวคว้าอริยสัจเข้ามาสื่อภายในใจเาให้ได้ต้องนั่ใหมันเจ็บให้มันปวดแล้วก็ให้มันดับของมันเองแยกทุกกายออกจากทุกใจให้เห็นทุกใจว่าเกิดจากความกลัวความเจ็บความอยากให้กามเจ็บหายไปแล้วเราก็ดับมันด้วยการวางความกลัวความเจ็บไม่กลัวอ่ะมันจะเจ็บให้มันเจ็บไปวางให้มันเป็นไปของมันไม่กลัวตายก็ปล่อยให้มันตายไป ถึงเวลาเกิดม แ, แล้วต้องการก็ให้มันไปปลงมันไปพอปลงได้แล้วมันจะเห็นทุกด์อยากพายในใจเลยจิตจะดิ่งเข้าสู่ความสงบความสบายแต่ในย่งนี้ต่อไปก็จะเห็นอะไร ร, รักษาเราสามารถใช้อะไรรักาในลักษณะนี้กับปัญหาอื่นๆได้เพราะยังมีปัญหาอื่นๆอีกมากที่ยังต้องต้องเจอแต่มันก็เป็นปัญหาในรูปแบบเดียวกัน ต่างแต่วัตถุหรือต่างแต่ปัญหาแต่นัอนเองแต่มันก็จะวนอยู่กับเรื่องของสนิทไทยกับทุกเรือะและวิธีแก่ก็คือมรรคกับวิโลนราะ้การได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาเจอพระพุทธศาสนานี่จึงถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลมากจะไม่ควรปล่อยให้ โอกาสอันดีงามนี้ผ่านไปเลยไม่ได้ดีอะไรติดไม้จุดมือไปแต่ความน้ําเหลวคว้าน้ำเหลว อ, อยเสียชาติเกิดเอาให้เอาดวตาเห็นทําให้ได้เอาให้เห็นให้ได้อรอยิยสัจต้องไม่กลัวความเจ็บต้องไม่กลัวความตายต้องพิจารณาความตายอยู่เรื่อยๆพิจารณาความเจ็บอยู่เรื่อยๆว่าเป็นธรรมดา ถ้าเราสามารถที่จะผ่านมันไปได้ด้วยสมาธิด้วยสติด้วยธัรมญานี่ย ท, ท่านอาจารย์ใช้คาว่าดวงตาเห็นธรรมนี่กั บ, กบระดับโสดาบันอันนีเน้เป็นแนวเดียวกันก็ไปพิจารณาดูเอาแล้วกันมันก็จะได้ตามมาแล้ ว, ลวเราไปอ่านดูก็แล้วกันโสดาโสดาแปลว่ากระแส โดดามันแต่พุู้ที่เข้าสู่กระแสเหมือนกับพอเข้าสู่กระแสนั้นมันก็จะไม่ไปทางอื่นแสสนี้ก็จะพาไปสูงพันธิพัณฑจะมีใครพาไปหรือไม่ก็ไม่สําคัญแต่ตอนปัญหาอยู่ตรงที่จะเข้าสู่กระแสนี้ถ้ายังไม่เข้าสู่กระแสนี้มันก็ยังจะไม่มีทางที่จะไปถึงพันธิภัณฑ์ยาวต้องเห็นระยะสั้นสื่ ลูกพิจารณาถึงความตายว่าทําไมคนเราถึงได้กลัวตายเหตุผลก็น่าจะเพราะว่าเราไม่ทราบว่าเราจะไปเกิดตรงไหนแต่ถ้าเรามั่นใจว่าตายไปแล้วเหมือนเราเหมือนเราจะย้ายบ้านถ้าเรามั่นใจว่าบ้านใหม่เราเนี่ยดีกว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมเราก็คงเราก็งยินดีที่จะย้ายบ้านแต่ถ้าเราเรายังกลัวตายเพราะเราไม่แน่ใจว่าตายไปแล้วเนี่ยเราเราจะได้สิ่งที่มันดีกว่าที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันหรือเปล่าคิดอย่างนี้ถูกต้องไหมจ๊ะอาจจะไปตกนรกหรืออาจจะไปเป็นสัตว์ดุร้ชัน แต้าเราแน่ใจว่าเราตายแล้วเราได้ได้ไปสวรรค์แน่แได้พบพระพุทธศาสนาแน่แน่เนี่ยเราก็จะเราก็จะเร่งแล้วก็มีกำลังใจที่ที่จะที่จะปฏิบัติต่อมันไ<า>ม่ทราบเราเรไม่เคยคิดอย่างนั้นเราเรื่องนี้ไม่ทราบว่าเป็นเราเพียงแรู้ว่าความกลัวตายนี่เป็นทุกข์เท่านั้นคิดว่าทําทไมคนเราถึงกลัวตายเพลองไม่ทราบว่าเราจะไปไหนเพอาะเรารักที่จะอยู่ มราเป็นกลัวตายเราอยากจะอยู่มันทำให้เราไม่อยากจะตายปัญหาก็คืออยู่ที่ว่ามันอยากจะอยู่กับสิ่งที่มันจะต้องตายมันก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราว่าต้องอยากกระยากกับสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้เราก็ถ้จะศึกษาปฏิบัติมาเราก็ไม่เคยคิดถึงพวกหน้าชาติหน้า การความรู้ต่างๆเหล่านี้เราไม่ได้ถือว่า เ, าเป็นประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญของการปฏิบัติก็คือความทุกข์ที่มันอยู่ในใจของเราว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วเราจะทําอย่างไรให้มันหายไปทำไมวันนี้เราอารมณ์ดีทำไมพรุ่งนี้เราไม่อารมณ์ไม่ดีทํำไมต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานี่ปาญหาที่เป็นเป็นเหตุที่ทําให้เราสนใจต่อการปฏิบัติเราต้อง ก, การมาแก้ปัญหาทางด้านจิตใจของเรา เหมือนกับเรารู้ว่าใจของเราเนี่ยมันเป็นโรคมันไม่เป็นตกระตุบบางวันก็สดบางวันก็ทุกข์ธรรมมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นด้วยแล้วเวลาทุกข์ธรรมทุกข์แล้วเราแก้ทีไรมันไม่หายแก้แล้เดี๋ยวมันก็กลับ ม, มาหมนเพราะเราแก้ไม่ถูกจุดหรือเปล่าเนี่ยพอได้อ่านได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุท ธ, ธเจ้านี้ ก็เลยเข้าใจว่าอ๋อท่านสอนถึงเหตุของความทุกข์ใจว่าเกิดจากความอยากของเราเกิดจากการวาตัณหาเพราะว่าตัณหานี้เพราะว่าตัณหาถ้าถ้าอยากจะบบบความทุกข์ก็ให้เลิกละความอยากอันนี้เช่นความอยากอยู่ก็ต้องเลิกอยากก็อยากอยู่อยู่เท่าที่อยู่ได้อย่างที่หลวงตามีคนขอให้หนลวงตาอยู่ไปนาน มันการนั้นเราก็จะอยู่จนตายอ่ะใชอนนั้นหลักก็อยู่ไปนน้ำตายแล้วอยากไปอยู่เกินนั้นมันก็ไม่มันก็จะไม่กปวดตาอยู่แค่ตายไอ้เรื่องพบเรื่องชาตินี้เราไม่ได้ถือเป็นเป็นข้อมูลสําคัญต่อการที่เรามาปฏิบัติธรรมเลยไม่เคยคิดเลยชาตินี้าจจะมีเรื่องวื่นเราไม่สนใจ เราสนใจว่าทำยังไนให้มันสบายใจไม่ให้มันทุกข์ใจเพื่นั้นเองแล้วก็รู้ว่ามันทุกข์เพราะความอยากอยากจะกินเหล้านี่มันก็ทุกข์ละอยากจะเที่ยวก็ทุกข์วะเห็นอย่างนี้ก็ <S 2> <S 2> <S 2> ก็รู้แล้วว่า อ, อคนที่คนที่ไม่ทุกข์ก็คือคนที่ไม่อยากกินเหล้าคนที่ไม่อยากกินเหล้าจะไม่ทุกข์กับเรื่องเหล้าเลยคนที่ไม่สูบบุหรีก็จะไม่ทุกข์กับความเรื่องของความอยาก ทุบผู้หลีกในปัญหาก็อยู่ที่ความอยากความกลัวตายก็ขาอยากจะอยู่นั่นเองก็อยากจะ อ, อยากอยู่แตก็อยู่ตามท่าที่จะอยู่ได้เราคิดอย่างนี้นเรื่องของเรื่องของความกลัวตายเกิดจากความที่เราอยากจะอยู่ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้มันถึงเวลามันจะต้องตายเรื่องพพชาตินี้เราถือว่าเป็ น, เ ป, นเป็นข้อมูลที่ เป็นองค์ประกอบเป็นั้นไม่ใช่เป็นหัวใจของของการปฏิบัติเพื่อที่จะดับความทุกข์ภายในใจเราข้อมีสําคัญก็คือให้รู้ว่าทุกข์ภใจเรารเกิดจากความอยากนี้ความอยากต่างๆการมาตัญหาภาวะตัญหาวิริภาวะตัญหาแลนะวิธีที่จะดับมันได้ก็ต้องศีลสมาธิวัตญยาด้วยทานศีลและญญาาาภาวนาด้วยศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญา บ น, นี้เป็นองค์มรรคที่จะทำให้เกิดมีกำลังที่จะทำควบคุมใจให้ให้รับ ก, กับความจริงของสิ่งต่างๆด้และให้เกิดความอยากในสิ่งที่มันเป็นไปไมด้ันั้นเรื่องกเรื่องสวรรค์นีเ้เรื่องพบพบชาตินี้มันเป็นเป็ น, ปนมันไม่มไม่สำคัญต่อการปฏิบัติแต่มันเป็นข้อมูลที่ ที่เป็นองค์ประกอบของของของความจริงของของชีวิตคือความจริงที่ว่าจิตไม่ตายไ ป, ปแตบร่างกายร่างกายตายไปแล้วจิตก็ไปต่อแต่ได้ร่างใหม่แต่จิตไม่ได้เปลี่ยนแปลงจิตมีอะไรที่อยู่ในจิตนั่นก็ยังอยู่เหมือนเดิมมีมรรคเท่าไหร่ก็จะมีทั้งนันมีสมุทัยเท่าไหร่ก็ยังมีอยู่ทั้งมันมันไม่เปลี่ยนแปลง จะไปเกิดเป็นนุษย์เป็นเป็นนกเป็นกาหรือเป็นเทพเป็นอะไรมันก็ยังมีของมันอยู่ถ้าที่มันทํามาในถึงขณะที่ที่มันตายไปถ้ามันยังมีไม่พอมันก็ต้องทำต่อถ้ามันมีพอแล้วก็ไม่ต้องทําเช่นจิตของพระพุทธเจ้าจิตของพระสาวกท่านหลายพระหลายนี่ท่านทำพอแล้วทำเต็มที่แล้ก็ไม่ต้องทองพพําต่อ จิตท่านก็ไม่หายไปไหนจิตข้าท่านก็ถึงเมืองพอท่านท่านก็หยุดหยุดที่จะต้องไปหาล่างเหมือนไปเกิดหมันเฮ้วถ้าเราคิดถึงนี้พระพิจารณาต่อว่าถ้าเรามวรจะคิดถึงชาติหน้าก็ถ้าเราส่งจิงแตแดนอาคตอีกแล้วก็ใช่ใชเราก็เราก็ากลับมาอยู่กับปัจจุบันก็ได้อยู่ที่ปัจจุบันนะดู ด, ดูดูอริยสัจสี่ภายในใจดูเราในจิตของเราทุกข์หรือเปล่าทุ ก, ท, กทุกเรื่องอะไร เรามไม่ทุกก็ไปหาวิธีทั้งมันกระตุ้นความทุกข์ก็ได้ก็ไปอยู่ที่ที่ที่ห่างไกลจากลูกเสียงกลุ่นนั้นมันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วถ้ามันมีการละตัณหารเราก็จะได้ลูกว่าอ่อนนี่เห็นไหมพอไม่ได้เสพลูกเสียงกลุ่นแล้วก็เกิดความเศร้าสรอยหงอยเหี่ยวขึ้นมาแ ล, แล้วเราจะทำยังไงเราก็ต้องดับการละตัณหาให้ได้พอดับมันได้ความเศร้าสรอยหงอยเหียวมันก็จะหายไปเหมือนก็แก้อใหญ่ ไม่กลับไม่กลับมาองเรื่องการทำบุญนก็คือจริงๆแล้วเลือถ้าเกิดการทำบุญนี้ถ้าจะได้บุญจริงๆเนี่ยคือเราจะต้องไม่ไม่มลึกถึงสิ่งที่ตอบแทนกลับมาใช่ไหมคะใช่ตพ่ให้เกี่เป็นการสละ คือข้าวของเงินทองแต่บางที่ลรนี้ยมันเป็นเหมือนกับสมภาละที่ถ่วงเรือถ้าเราจะต้องการให้เรือเร็วเร็วเราต้องให้เรือเบาๆถ้ามีสค้าม า, มากๆ ม, ม, มันก็จะวินได้ช้าถ้าเรามีสมบัติข้าวของเงินทองที่เกินความจำเป็นก็จะทำให้เราพัฒนาทางจิตใจไปได้ยากเพราะมันจะถูก มันจะทําให้เราต้องมาคอยคอยดูแลรักษาคอยวิตกคอยทําบุญเป็นภาระเป็นปัญหาทางน้าจิตใจพอเราสละสมบัติชิ้นนี้ส่วนนี้ไปให้แก่ผู้อื่นได้แล้วเราก็หมดภาระทาำบุญไปทางหมายอยู่ตรงนั้นคือการทําบุญให้เราสละทรัพย์ส่วนเกินไปให้เก็บไวส่วนที่จําเป็นเท่านี้และถ้าเราไม่มีแล้วเราก็ไม่ต้องไปทำบุญกับ เ, เรื่องการไปหามาทมําบุญ ไม่ให้ไปทำอะรหาเงินไปหาเงินหาทองเพื่อเอาเงินทองนี่มาทำดีอันนั้นไม่ใช่เป็นเป็นเหตุของการทําดินเหตุของการทํำดีคือให้ทํางในส่วนที่มันมีม า, ากเกินกามจงเป็นมันเป็นมันเป็นภาระของจิตใจมันกดดันจิตใจถ้าเป็นเรือก็เหมือนกับมีของบรรทุกอยู่ว่าเกินไปเรือก็จะวิ่งไม่เร็วเรือจะวิ่งช้าหรืออาจจะจมได้ เราต้องระบายทรัพสมบัติเท่าของหนทางที่เราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องอาศัยตอบแทนเหมือเวลาที่คนเขาเบื่อใจเก็ระบายอหมดเลยพระพุทธเจ้าที่ไม่เอาทรัพสมบัติไปจุดไปยกให้คนอื่นไปนั่นแหละคือการทำดีแล้วก็ไม่ได้หวังผลตอบแทนจากคนที่รับสมบัติต่างๆให้เขาวหน้าก็ กับจะขอบใจเขาสิว่าดีจะได้เราจะได้สบายไม่ต้องมาคอยดูแลรักษามีคนมาดูแลให้คือที่สงสัยคือเวลาที่ในเมื่อเขตความจริงมันมาจากเรื่องของไม่หวังองตอบแทนแต่ว่าถ้าที่สังเกตเวลาผู้ใหญ่จะสอนเด็กให้ทำบุญ น, นะคะ ส่ ม, มาจะบอกว่าทำบุญอย่างนี้จะได้แล้วอินจะเจริญลุ่งเรืองๆๆนะเปลี่ยนถึงเวลาแล้วถ้าเกิดเปลนเขาทำตามแล้วเขาไม่ได้มีปัญญาถึขางขั้นนั้นนะคะแล้วเขาจะได้บุญจร ง, <c oughs> งเหรอคือบุญคือความสุขใจที่เกิดจากการที่เราววนวางสมบัติหรือเท่าของก้อนนั้นหรือส่วนนั้นไปแล้วก็เกิดจากความรู้สึกที่ว่าเราได้ช่ว ย, ยผู้ทําให้ผู้อื่นเขามีความสุข เลยช่วยบรรเทาความทุกข์ความเดือดร้อนของผู้อื่ทุกครั้งที่เราทำอย่างนี้เราจะเกิดความรู้สึกมีความสุขใจนี่แหละแปลว่าบุญส่วนผลที่ผลพลอยได้ก็คือมันจะมีผลตอบแทนกลับมาในภายหลังเช่นคนที่เราเคยช่วยเหลือเขาวันหนึ่งเขาอาจจะร่ำรวยขึ้นมาเราเาเขาอาจจะอยากจะช่วยหือเราบ้าง เราอาจะอยู่ยืนเขียนเช็คมาให้ทักล้ า, อางอ น, นีอันนี้เราไม่ได้เปเรียกร้องเราไม่ได้ไปหวังแต่มันก็เป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้หรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้อันนี้เป็นผพลพอยได้ก็เจอเป็นผลทอยได้อันนี้แค่สงสัยว่าคนที่เหมือนได้รับข้อมูลอ ย, อย่างที่บอกไปอะค่ะพวกเด็กอะไรเงี้ยค่ะที่จะได้รับคำสั่งว่า ทำบุญดีนะแล้วก็ได้รับจะไม่เขาจะได้รุงเรียนแต่ว่าเด็กกลุ่มนี้เหมือนเขาก็ไม่ได้ทราบนะคะว่ามันต้องได้บุญจริงๆต้องมาทำ ก, การา เ, เป็นของตอบแทนเป็นการสอนของคนที่มีจกียรติสอนเพราะครขาอยากจะให้ลูกทำบุญ <c oughs> ก็เลยพอมีมีความจริงส่วนนี้อยู่ก็เลยเอาความจริงส่วนนี้ักขายความจริงมันไม่ใช่เป็นความจริงที่สําคัญความจริงที่สําคัญต้องสอนด้วยว่ามีการเสียสละทํำให้เราเป็นคน มีเิ ต, ตา น, เนาการุาาเป็นจิตใจที่สูงเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวแล้วจะมีความส <c oughs> ุใจมากกว่าคนสองอย่างนั้นแต่มันถูกปลกไปหมดเลยเพราะทุกคนทำมุนก็เลย <c oughs> คิดว่าอยากจะได้ผลตอบแทนทำมุนแล้วจะร่ำรวยเกิดภ <c oughs> พหน้าชาติหน้าอันนี้มันก็เป็นผลที่เกิดขึ้นได้ไม่ไม่เกิดพิเศษแต่เราควรจะพูดถึงผลในปัจจุบันมากกว่า คือความสุขใจสบายใจความที่มีจิตใจที่สูงขึ้นเพราะมีความเมตตามีความกรุญามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวและมีต่อหาที่เป็นผลดีเราจะได้รับจากการทำบุญเอาใจนะที่ก็ถูกสัจธรรมก็ถูกคนสอนหลายรูปแบบ สอนยังไปสอนยั้มาจนกะทั่งมันมันถูกบ้างไม่ถูกบ้างปนกันไปก็อย่างที่คู่ว่าทำบุญให้กับทำบุญกับหมาทำบุญกับผ้าอาหารนี่ก็มีความจิตใจเหมจนตใจถ้าเราทำเรื่องทางบารสุจใจเช่นให้ข้าวถึงแม้ขาอาหาราก็อด อ, อยากไม่มีข้ากินหมาก็ไม่มีข้ากินแล้วเราก็สงสารทั้งหมาทั้งผ้าอาหารเราก็เลี้ยงทั้งหมาเลี้ยงทั้งผ้า เราก็มีความสรัทธเท่ากันเพราะว่าเป็นชีวิตเหมือนกันแต่ผลที่เราดพดตอบแทนจากหลวงพ่อป้ารานี่ต่างกันอันนี้เป็นผลอีกอีกอีกอย่างนึงอันนี้ไม่ได้ความสุัใจาแล้อันนี้เป็นผลตอบแทนที่เราจะได้แนละ้วถ้าทําบุญต่อผ้ า, า, านล้งก็จะได้คุยธรรมะไม่ฟังธรรมะจากท่านถ้าทําบุญต่อหนวงก็จะได้ฟังนันท์ห่า <c oughs> วเราก็ได้อย่างนี้ย มัต่างกันนะแต่ความสุดใจที่เกิดจากความเมตตากริณาของเราไม่เท่ากันเราเมตตาหมาเราก็เมตตาคนได้เหมือนกันใช่ไหมถ้าเราเห็นเขาเดือดร้อนสงสารเราก็ช่วยเหลือเขาไัาอย่านี้ก็ได้บุญเท่ากันหรือว่าทำบุญกับหมาเราทําำบุญกับผ้าอะไรนี่พูดถึงความสุดใจให้เท่ากัน ถ้าเป็นความบริสุทธิ์ใจก็ทำด้วยความเมตตากามตญาในความปรารถนาที่จะช่วยเหลือให้เขาสุขสบายขึ้นเพิ่มจากความเดือดร้อนอันนี้ก็จะได้ความสุขใจเท่ากันแต่ผลที่เราจะได้รจะจะับจากพระอาจารนกับพระกับสุนักษ์นไม่เท่ากันสุนักษ์ก็เพียงแต่จะเห่าให้เราฟังหรือถ้าราเลี้ยงมาที่บ้านก็จะคอยเข้าบ้านให้คร คอยคอยไล่คอยเกลื่อนว่ามีขโมยมีมีพายเข้ามาก็จะได้รับประโยชน์จากเนั่นอย่างนั้นแต่ถ้าได้อยู่กับพระอรหันต์ก็จะได้ยืนได้ฟังทำคำสอนของพระพุทธเจ้าทาให้เราเกิดสัมมาทิฏฐิเกิดความเลริเกิดศรัทธาที่จะปฏิบัติทําให้จิตใจของเราสูงขึ้นสะอาดขึ้นความทุกข์น้อยลงไปเบาบางไปเรื่อยๆคล้วนจากความทุกข์ยาก อันนี้เราก็จะได้รัจบจากพระอรหันต์ถาหนเปรียบเทียบว่าถ้าทําบุญกับคนธรรมดาจะได้หนึ่งส่วนทําบุญกับคนมีสีจะได้สิ บ, ส, บส่วนทําบุญกับพระโสดาบันจะได้ร้อยส่วนทําบุญกับพระสวิกะพระกิริยาคำมีได้พันส่วนพระอนาคามมีได้หมื่นส่วนพระอรหันต์ได้แสนส่วนพระพุทธเจ้าได้ล้านส่วน เพราะความสามารถในการสอนธรรมของท่านแต่ละองค์นี้มีไม่เท่ากันพระโสดาบันมีความรู้ไม่เท่ากับพระสัจจีราคารีพระเสัจจีราคารีมีความรู้ไม่เท่ากับพระเนาคารีพระนาคารีมีความรู้ไม่เท่ากับพระอรหันต์พระอรหันต์นี่มีความรู้เท่ากับพระพุทธเจ้าอันมี้สองที่แรกจากบีความที่เราทำเลยเป็นต่างกันอยูที่ความรู้ของท่าน นี่เป็นคนทีเราจะได้รับแต่ท่านครับท่านพูดถ้าท่านแสดงการน่เรามีหูฟังท่านเราหูอู่่ถ้าท่านไม่พูดก็ <c oughs> ไม่ได้เช่นไปเจอพระปเจต์ก็พระพุทธเจ้าท่านไม่พูดเลยท่านไม่สอนนะทำเหมื อ, มอนบบกับครูบาจารย์ลูกท่านไม่พูดอะไระอานุโมทนาแล้วก็จบท่านก็ไม่ได้ธรรมะเพราะท่านพูดใน่เป็นไม่ทําสอนไม่เป็น ไม่ท่านไ่ากจะสอนก็ไม่กล้าท่านมีประโยชน์ที่เราได้รับจากผู้อน <c oughs> แต่บุญที่เราได้รับจริงๆคือคือในปัจจุบันนี้ <c oughs> คือความสุขใจความเทาใจความสบายใจส่วนพ้นบุญในอนาคตนี้มันก็แล้วแต่บางทีเราไปตกวจที่ได้ยากก็จะมีคนมามาดูแลเรา อันนี้จะจะว่าเป็นเป็นผลของุญที่เราทำมาหลายเดือนหรือไม่เราก็ไม่มีอย่างที่เราจะไปเชื่อมมันไดน้แต่เราก็จะเชื่อเย่างนั้นก็ได้หรือไม่เชื่ อ, อนั้นก็ได้แต่ว่าเป็นเรื่องบังเอิญก็นด้หรือจะเป็นเรื่องไม่บังเอิญก็ได้แต่ไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ผลที่เราได้รับในปัจจุบันแล้วครับคือความสุขใจ แล้วทาให้เรามีความเมตตามีความกุญนามากขึ้นน่าจะทําให้เรารักษาสิ่งได้ง่ายขึ้นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นจะไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นคนที่ไม่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นนี้จะชอบเบียดเบียนผู้อื่นถ้าเราไม่ชอบทำอํำดีให้ทางเราจะรู้สึกรักษาสี่ยากเพราะเสียดายเสียดายสิ่งนั้นสินี้ ถ้าไม่โกหกเออเดี๋ยวขายของไม่ได้ว่าอยากจะขายของไม่ได้มากๆ ก, ก็ต้องโกหกแต่ถ้าเราไม่สนใจว่าขายมากหรื อ, อขายน้อยเราก็พูดตามความจริงไปขายได้ก็ขายขางไม่ได้ันไม่เดือดร้อน แ, แต่ไม่ต้องการที่จะหลอกคนอื่นเพราะจิตเรามีครา ม, มตากรุยาต่อผู้อื่นเราอยากจะช่วยเขา เราไม่อยากจะเบียดเบียนหรอหลอกลวงเขาเราก็พูดตามความจริงเข้าใจนะดังนั้นเวลาฟังเชื่อความธรรมจากคนเห่นก็ต้องระวังคนจะศึกษาจากผู้รู้จริงเรื่ออ่านหนังสือธรรมะหรือปฏิบัติธร ถ้ายัางไม่เข้าใ จ, าใจลแล้วยังไม่แน่ใจก็ฟังหูว่าหูก็แล้กันอยากเพิ่มไปเชื่อพระพุทธเจาก็ทสอนในคัมภีร์มาสูตว่าอยากไปเชื่อเพราะเขาว่าเป็นนั้นเป็นอย่างนีน้อยากไปเชื่อเพราะว่าเขาเป็นพ่อเป็นแม่นละเป็นครูเป็นอาจารย์เขาว่าไม่เชื่อก็ไม่เป็นนะเขาแไม่ไม่ไม่ให้ปฏิเสธแต่ให้รับฟังไหมนับรอไปพิสูจน์ดู เช่นท่านห้าวว่าอย่าไปเล่นกับงมือนะเดี๋ยวมูมันกลับถ้าเราอยากจะรู้ว่ามันกลับไม่กลับก็ลองไปเล่นดูถ้ามันกลับก็จะรู้ว่าออกสิ่งที่ท่านพูดนี่จริงพระพุทธเจาร่ำสอนนี่อย่างนั้นเลยเราต้องพิสูจน์ด้วยตัวเราเองว่าสิ่งที่เรสอนนั้นจริงหรืไม่จริงเชื่อเฉยๆมันไม่ขอเพราะเราไม่รู้ว่าเขารู้จริงหรือไม่รู้ไม่จริงถ้าเกิดเขารู้ไม่จริงเขามาสอนเราแล้วเราเชื่อเราก็จะหลงตัด ย้อนตามเขาไปได้เหมนกระต่ายตื่นตัวกรต่ายนอนอยู่ใต้ต้นตาลลูกตาลหล่นลงมาก็ต besar. กใจตื่นคิดว่าพรลาถล่มพลาทลายก็วิ่งหนีจากตัวเองเห็นกระต่ายวิ่งเก็วิ่งถาเกิดอะไรขึ้นว่าพลาถล่มพลาทลายก็วิ่งตามกันใหญ่เนี่ยเนละเชื่อแบบแบบแบบสุดเลยจนไปเจอราชสีราชสีก็ถามว่าวิ่งไปไหนกัน ว่าอยู่ท่าพระถล่มทลายาก็เลยม่าที่ว่ามนถล่ตรงไหนไหนกพาไปดูหน่อยสิพอไปดูก็เห็นมีนุกตายอยู่ใต้ต้นต า, าก็ก็พิจัยงานพิสูจน์เห็นว่าอ๋อไม่เป็นนุกตายลงมาเนั้นเนี่ยเราต้องพิสูจ์อย่าง น, นี้อย่าไปเชื่อเฉยนไม่อย่าไปปฏิเสธเฉๆไม่ควรปฏิเสธแลไม่ควรเชื่อจนกว่าเราจะ จะพิสูจน์ได้ด้วยตนเองแต่โดยปกติแล้วถ้าผู้ใหญ่คนที่เขาเล่าเราเนี่ยเราก็เชื่อได้เช่นพระพุทธเจ้านอนเราให้เชื่อพระพุทธธรรมพระนี้เราเชื่อได้แต่ก็ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นท่านก็ยังบอกให้เราต้องเราก็ยังต้องพิสูจน์เพื่อให้หายความสงสัยเชื่อแล้วก็เอาไปพิสูจน์อยู่า้สานว่าให้ท่านท้าพิสูจน์หล่ะ คำสอนของท่านเป็นการท้าพิสูจน์ว่าลองทําตามดูซิลอเรารักษาศีลดูแล้วจะดีกว่าไม่รักษาศีลดูลองทำบุญดูแล้วจะดีกว่าไม่ไม่ทำบุญลองภาวนาลองปฏิบัติดูแล้าจะดีกว่าไม่ได้ปฏิบัติลองทําดูแล้วจะรู้ว่าจริงหรือไม่จริงเชื่อแบบนี้เชื่อว่าเชื่อเพื่อนำมาเป็นพิสูจน์ได้แต่อย่าไปเชื่อเฉยๆแล้วก็ไม่ได้เป็นพิสูจน์ ก็จะไม่รู้จริงทีเชื่อก็ไม่มีความไม่มีน้ําหนักพอพอถึงเวลาเข้าจริงๆก็เส่วงหา้ของกิเลสไม่ได้กิเลสมันก็จะมันก็จะปกความเชื่อของเราไปพอถึงเวลาเป็นวันตายท่านบอกใหาสละชีวิตเพื่อรักษาคุณธรรมก็ไม่เอาแล้วต้องคุณธรรมเพื่อรักษาชีวิตก่อน แต่ถ้าไปปฏิบัติแล้วพอเห็นคุณค่าของคุณธรรมแล้วยอมยอมตายยอมตายเพื่อรักษาชีวเพื่อรักษาคุณธรรมหายสงสัยแล้วมยมีอะไรเหรอไม่มีอะไร